จริงในะเมตสูตรนี้น่าจะอ่านพร้อมกันดีนะนะลองอ่านพร้อมกันดูอ่านก่อนเดียวค่อยอธิบายนะอะเมตสูตรที่แปดนะครับว่าด้วยว่าด้วยตรัสรู้สันตบดนะสันตบทนี่คืออะไรคำนิพพานใช่ไหมครับนิพพานใชนะ่ไหมข้อสามร้อยแปดกุลบุตร อ, อ่านพร้อมกันนะกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์ปราถนาเพื่อจะตรัสรู้สันตบท พึงบำเพ็ญไตรสิกขากุลบุตรนั้นพึงเป็นผู้อาหารเป็นผู้ตรงซื่อตรงว่าง่ายอ่อนโยนไม่เย่อหยิ่งสันโดษเลี้ยงง่ายมีกิจน้อยมีความประพฤติเบามีอินทรีย์อันสงบแล้วมีปัญญาเครื่องรักษาตนไม่ขนองไม่พัวพันในสกุลทั้งหลาย และไม่พึงประพฤติทุจริตเล็กน้อยอะไรอะไรซึ่งเป็นเหตุให้ท่านผู้รู้เหล่าอื่นติเตียนได้พึงเจริญเมตตาในสัตว์ทั้งหลายว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความกเกษมมีตนถึงความสุขเถิดสัตว์มีชีวิตเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่เป็นผู้สะดุ้งหรือเป็นผู้มั่นคง ไม่มีส่วนเหลือสัตว์เราใดมีกายยาวหรือใหญ่ปานกลางหรือสั้นผอมหรือผีที่เราเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นอยู่ในที่ไกลในในที่ใกล้ที่เกิดแล้วหรือแสวงหาที่เกิดขอสัตว์ทั้งหมดนั้นจงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิด สัตว์อื่นไม่พึงข่มคู่สัตว์อื่นไม่พึงดูหมิ่นอะไรเขาในที่ไหนๆ ไ, ไม่พึงปราถนาทุก์ให้แก่กันและกันเพราะความโกรธเพราะความเครียดแค้นมารดาถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนแม้ด้วยการยอมสละชีวิตได้ฉันใดกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์ พึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวงแม่ฉันนันกุลบุตรนันพึงเจริญเมตตามีใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นทั้งเบื้องบนเบื้องต่าเบื้องขวางไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรู กุลบุตรผู้เจริญเมตตานั้นยืนอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีพึงเป็นผู้ปราศจากความง่วงเหงาเพียงใดก็พึงตั้งสติไว้เพียงนั้นบัณฑิต ท, ทั้งหลายกล่าววิหารธรรมนี้ว่าเป็นพรมวิหารในธรรมวินัยของพระอริยเจ้านี้ และกุลบุตรผู้เจริญเมตตาไม่เข้าไปอาศัยทิฏฐิเป็นผู้ถึงด้วยทัศนะนำความยินดีในการมทั้งหลายออกได้แล้วย่อมไม่ถึงความนอนในคันอีกโดยแท้สาธเาก่งมากเลยเพระผู้มีพระภาคทรงตรัสพระสูตรนี้เพื่อประโยชน์อะไร นะใครตอบบ้างจะให้เป็นค่ายคะนานดีเด่นนะนะพระองค์ตรัสพระสูตรนี้มีประโยชน์สามอย่างนะประโยชน์อย่างที่หนึ่งก็เพื่อเพื่อเมตตานะเพื่อเจริญเมตตาประโยชน์อย่างที่สองก็เป็นเครื่องป้องกันเป็นปริษนะเป็นทาปริตทีนี้ถ้าเราจะสวดมนต์ก่อนนอนก็สูตรสูตรนี้ก็ได้ส่วนแล้จะได้ปฏิบัติด้วยไง นะอย่าสวดภาษาบาลีอย่างเดียวแต่ถ้าได้บาลีด้วยได้ภาษาไทยด้วยจะดีมากเลยแล้วก็ประโยชน์ข้อที่สก็คือเพื่อเป็นบาทของวิปัสสนานะเพื่อเป็นบาทของวิปัสสนาเอาไหมนะก็คือดูในหน้า3ามสิบนะจะบอกถึงประโยชน์ของการเจริญเมตตาสูตรนะหรือตามเมตตาสูตรส68 นนับนับขึ้นจากข้างล่างย่อหน้าเห็นไหมก่อนย่อหน้าข้างล่างอ่ะอยู่ซ้ายมือนะบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัส บ, บอกการคุ้มครองอย่างนี้แล้วจึงตรัสพระสูตรนี้แก่ภิกษุเหล่านั้นเพื่อเมตตาเพื่อป้องกันและเพื่อฌานอันมีอันมีวิปัสสนาเป็นบาตรหรือแปลว่าเป็นบาตรของ วิปัสสนานั่นเองนั่นแหละนี่คือประโยชน์ของเมตสูตรเพราะฉะนั mm ้น hmm. ถ้าหากว่าผู้ที่สาธยายได้ก็จะดีมากเพราะว่าขณะใดาที่สาธยายเป็นต้นเนี่ยนะอากุศลจิตก็ไม่เกิดในขณะนั้นนนะและก็เป็นเครื่องป้องกันด้วยผู้ที่สาทะยายนี้บ่อยๆจะป้องกันประเภทอามนุษย์นะนะเรียนกะว่าเป็นอามนุษย์จะจะให้เกียรติ น, นั่นเถิดอามนุษย์จะนับถือ นะเพราะว่ามีคุณสมบัติควรแ ก, แก่การยกย่องของพวกนมนุษย์นั่นเองซึ่งดูหน้านาเมื่อกี้เนี่ยนะจะต่อจากว่าเพื่อเมตตาเพื่อป้องกันและเพื่อฌานอันมีวิปัสสนาเป็นบาทนดังนี้นี้ก็จะได้กล่าวถึงคำอธิบายตามลำดับไป ซึ่งถ้าพูดที่สวดเป็นภาษาบาลีได้จะนึกออกกันนะว่าการณีย ม, มัทะกุสเลนะยังตังสันตังปะทังอภิสมจิจจะเป็นต้นนั่นเองนี้การพารนาพสูตรตามลักษณะอัตถก า, ามีการอธิบายอยู่สองอย่างด้วยกันชั้นต้นเลยคืออธิบายสับก่อนคิดว่าอธิบายโดยบทโดยบทก็คือหมายถึงศั์แล้วก็อธิบายโดยเนื้อความคืออธิบายอัฐะนั่นเอง ซึ่งที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยมันจะเป็นคาถาเป็นคาถาคล้ายๆว่าเป็นสำนวนคนํากรอนนะโกลอาจจะเอ๊แต่ละคําแต่ละคำนี่มีความหมายว่าอย่างไรท่านกล่าวถึงขยายแต่ละบทแต่ละบทว่าแต่ละคํานั้นมีข้อความอย่างไรบทว่าการณียังได้แก่ประโยชน์อันควรทำเคยได้ยินนะกรณียังก็คือกรณียกิจอะกรณียะระบบกิจ เพราะฉะนั้นคำว่าการณียะก็คือประโยชน์ที่ที่ควรทําอธิบายว่าควรแก่การกระทําปฏิปทาชื่อว่าประโยชน์ประโยชน์ที่ว่านี่คืออะไรนะก็คือปฏิปทานั่นเองหรือประโยชน์เกื้อกูลของตนอย่างใดยอย่างหนึ่งนั้นทั้งหมดเรียกว่าประโยชนะ์ประโยชน์ที่เกื้อกูลตนอะไรบ้างอะที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลตนสิ่งนั้นแหละเรียกว่าประโยชน์ เ, เพราะเป็นประโยชน์ที่กุลบุตรควรได้รับเพราะเป็นประโยชน์ที่กุลบุตรพึงเข้าถึงชื่อว่าเพราะเป็นประโยชน์ที่กุลบุตรควรได้รับ <c oughs> ประโยชน์ที่ควรได้รับในาศาสนาคืออะไรล่ะนั่นแหละพยายามนึกถึงว่าเราศึกษาพระาศาสนาเพื่อประโยชน์อะไรประโยชน์อันนั้นเนี่ยนะใครชัดเจนขนาดไหนก็สุดแท้แต่ บางคนก็มองเฉพาะเออชาตินี้จะได้เครียด น, น้อยหน่อยนะโทสะจะได้ไม่ค่อยกลุ่มรุมนักอันนี้เรียกว่ามองแค่ประโยชน์ชาตินี้อย่างเดียวบางคนก็บอกเออชาติหน้านะใกล้แล้วไม่เกินสิบปีครับอาจารยบอกว่าไม่เกินนี่เสียหายเนาะ <c oughs> บอกว่านึกประมาณสิบปีอย่างนั้นอาจจะเกินก็ได้ <c oughs> อันนี้เรียกว่าเพื่อประโยชน์ชาติหน้าแหล ะ, สะเสบียงทางของพบต่อไป <c oughs> คือคําว่าชาตินะคงไม่ใช่ชาติหน้า อย่างเดียวใช่ไหมหน้าชาติชาตินี้นับหนึ่งใช่มแสดงว่าหน้าก็คือสองสามเป็นต้นไปจนกว่าจะถึงฝัง่งหาฝั่งเจอเมื่อไหร่ก็พอเมื่อนั้นแหละแล้วก็ประโยชน์อย่างสูงสุดคือคือพระนิพพานเนนะะันประโยชน์เหล่านั้นเป็นสิ่งที่ควรจะได้รับผู้ฉลาดในประโยชน์ชื่อว่าอัถะกุศละอัฏฐาก็คือแปลว่าประโยชน์นั่นเองกุศละกุศลเป็น แปลว่าฉลาดอธิบายว่าผู้เฉลียวฉลาดในประโยชน์นั้นประโยชน์ที่ตนพึงจะได้รับนะทั้งประโยชน์นในชาตินี้ด้วยประโยชน์ชาตินี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่เป็นต้นนะประโยชน์ชาติหน้าก็คือกุศลจิตซึ่งเจตนาที่เกิดร่วมกับกุศลจิตก็ให้ผลทั้งชาตินี้และชาติหน้าต่อไปด้วยและกุศลธรรมที่พัฒนาพอกพูนขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งนะเป็นอุปนิสัยพอกพูนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น เพราะฉะนั้นการเจริญกุศลจึงไม่ใช่เจริญเพื่อรอเอาผลมันนะแต่เจริญกุศลเพื่อกุศลเจริญกุศลวันนี้เพื่อกุศลวันหน้าจะได้เกิดมากขึ้นศึกษาคําสอนวันนี้เพื่อวันต่อๆไปเราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นลักษณะนี้แหละเป็นเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งทีนี้ท่านก็ขยายลักษณะศัพบซะส่วนใหญ่เลยนะแต่ก็ให้รู้ว่าขยายตามศัพท์ก่อนวะ่ะ อย่างสันตังประทังเนี่ยนะไอ้คาว่าสันตังนี้เพราะเป็นโดยลักษณะเชื่อว่าประทังเพราะเป็นธรรมะที่กุลบุตรพึงถึงนะบทว่าสันตังประทังนั้นเป็นชื่อของพระนิพานนี่เป็นบทที่กุลบุตรผู้ฉลาดจะพึงเข้าเข้าถึงว่างั้นเถอะคำว่าอภิสมิจจานี้ได้แก่บรรลุแล้วชื่อว่าสักกะเพราะวิเคราะห์ว่าอาจฐานอธิบายว่าเป็นผู้สา ม, มารถเป็นผู้มีกําลังเฉพาะ นะส ก, ก่าก็คือสกยะนั่นนะส ก, ก่าก็คือองค์อาจนั่นเองคําว่าอุชูแปลว่าผู้ประกอบด้วยความซื่อตรงนะอุชูหรืออุชูนั่นเองหรือชื่อว่าสุอุชูเนี่ย น, นะซื่อตรงดีนะอุปสรรคเข้ามาอีกเพิ่มหนึ่งว่าอุชูนี่ตรงนะใช่ไหมสุนี่แปลว่าดีไม่ไม่ตรงเฉยๆนะนะดีด้วย เช่ว่าสุวัจะหรือสุวัโจแปลว่าว่าง่ายนะสุวัโจว่าง่ายอัสะเนี่ยพึงเป็นว่าง่ายมูทุได้แก่ผู้ประกอบด้วยความอ่อนโยนนะมูทุนิ่อ่อนโยนผู้ไม่เย่อหยิ่งแปลว่าอนติมานีก็คืออนัตเนี่ยแปลว่าไม่มีไม่มีอติมานะว่าง่ายอติมานะก็คือมานะมาก พยองว่างั้นเดีแปลศัพท์ไทยๆเข้าใจง่ายก็คือพยองนั่นแหละนะไม่พยองทั้งหมดที่ว่าไปเมื่อกี้เรียกว่าเป็นการพารนาศัพท์พารนาบทนะเป็นบทในภาษาบาลีนะให้ให้รู้ว่าเออแต่ละศัพท์แต่ละศัพท์นี่หมายถึงอะไรนะแปลว่าอะไรเส็จแล้วท่านจะพารนาเนื้อหาเนื้อหาของธรรมะทั้งหมดเรียกว่าอาัฐะในคถาว่า กรณียมัทักุสเลนะยันตังสันตังปะทางอภิสเมเจจะดังนี้นะกิจที่ควรทาก็มีกิจที่ไม่ควรทาก็มีนะกรณียกิจเนี่ยนะที่เรียกว่ากรณียะเนี่ยมีอยู่แบ่งออกเป็นสองอย่างนะที่ควรทำก็มีที่ไม่ควรทำก็มีทำใจให้ตรงไว้นิดหนึ่งว่าเรากาลังศึกษาสังฆคุณนะว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคท่านปฏิบัติตามนี้ น, นะทำใจาให้ถูกเดี๋ยวเอมันเกี่ยวอะไรกับเราอ่ะนะซึ่งให้เราตั้งโยนิโสมนสิการะให้ดีเพื่อเจริญศรัทธาเวลาทําบุญสังฆทานจะได้นึกออกเออสาวกของพระผู้มีพระภาคเนี่ยท่านคิดแบบนี้นะเวลาเราให้ทานก็นึกถึงผู้ที่ปฏิบัติไปตามเนี่ยเวลาเราจะใส่บาตกับใครก็ช่างเถอะแต่เราก็พยายามนึกถึงผู้ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้นั่นเองนะว่าคุณสมบัติเหล่านี้มีในสาวกของพระผู้มีพระภาค ในกิจสองอย่างนี้โดยย่อศิขาสามเป็นกิจที่ควรควรทำเป็นกิจที่พึงทําเลยแหละไอ้คาว่าควรหรือคาว่าพึงนี่มีความหมายเท่ากันนะไปเจอว่าควรควรพึงพึงี่มีความหมายเท่ากันเดี๋ยวแปลว่าควรเออไม่ทําก็ได้ก็บอกว่าเป็นกิจที่ต้องทำเลยกิจมีอาที่อย่างอย่างนี้คือศสีลวิบัตินะผิดศีลเนี่ยวิบัติก็คือเสียหายอ่ะ นะศีนเสียหายนะ ท, ทิวิบัติความเห็นที่เสียหายนะอาจารวิบัติมารยาทที่เสียหายอาชีววิบัติอาชีพที่เสียหายสรุปแล้วทั้งหมดเหล่านี้ก็คือการผิดผิดโอวาทผิดพุทธานักของพระผู้มีพระภาคะนะสาหรับพิษสษุนนะเพราะว่าพระองค์นี้ได้ได้วางรูปแบบแบบฟอร์มที่มาตรฐานไว้หมดแล้ว ถ้าไม่เป็นไปตามนั้นก็ยังจะอยู่ในในสีข้อนี้แหละสิ่งที่ทํานั้นอาจจะเป็นศีลวิบัติหรือทิฏฐิวิบัติอาจารวิบัติหรืออาชีวะวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนถ้าผิดตามจากคำสอนนะไอ้สี่อย่างเหล่านี้เนี่ยเป็นกิจที่ไม่ควรทำศีขาสามควรทำแต่ศีลวิบัติเป็นต้นไม่ควรทำอันหนึ่งอันหนึ่งตรงนี้เนี่ย แตว่าอีกประเด็นหนึ่งหรืออีกนัยยะหนึ่งก็ได้นะซึ่งซึ่งให้รู้ว่าขึ้นประเด็นใหม่กุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์ก็มีกุลบุตรผู้ไม่ฉลาดเอ่อผู้ฉลาดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็มีไอความฉลาดนี่มีสองอย่างนะนะฉลาดหาประโยชน์กับฉลาดทําให้เสียประโยชน์ในกุลบุตรสองพวกนั้นกุลบุตรได้บวชในาศาสนานี้แล้ว ย่อมไม่ประกอบตนโดยชอบนะตนโดยชอบเป็นอย่างไรก็คือประกอบโดยชอบตามคําสอนเป็นผู้มีศีลขาดสําเร็จการเลี้ยงชีวิตโดยอาศัยอเนสนา21อย่างอาเนสนาก็คือเอสนานี่แปลว่าการสแสวงหาอาเนสนาก็คือการสแสวงหาที่ไม่สมควรนั่นเองนะการสแสวงหาที่ไม่สมควรมีอยู่ยีอย่างด้วยกันอย่างเช่นให้ไม่ภผ่ คําว่าให้ไม้ไผยนี่ก็คือเป็นการให้เพื่อที่จะหวังผลตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่งนะซึ่งการให้ที่ผิดธรรมถ้าไม้ไผ่นี่มีความยาวระดับตั้งแต่ศอกขึ้นไปนะให้ไม้ไผยอย่างนี้ชื่อว่าให้ครุพันธุ์ด้วยนะถ้าไม้ไผ่อันนั้นเป็นของสงเนี่ยให้ไม่ได้นะในเรื่องครุพันธุ์เนี่ยไม่ใช่มีสิทธิ์แจกนะไม้ไผยนี่แม้แต่ศอกเดียวแล้วเนี่ยไม่ได้ให้ไม่ได้ให้นี่ให้ใครคือให้พวกคารวะนั่นเอง นะไม่ได้ซึ่งในเรื่องคารุพันนี้มีรายละเอียดที่ที่ผู้เกี่ยวข้องกับสงนั้นควรศึกษาให้เข้าใจเพราะว่าคารุพันนี้แม้แต่ภิกษุเอามาหารเอามาปันกันอย่างงี้นะเออมีเตียงอยู่สเตียงแคแจกคนละอันคนละอันคนละอันนะให้เป็นสมบัติส่วนตัวเลยแจกก็ไม่เป็นอันแจกรูปใดแจกเป็นอบัติทุลจ่ายของนั้นก็ยังเป็นของสงเหมือนเดิมแจกไม่ขึ้น น, นะว่างั้นนะพวกโลหะพวกมีดพวกขวานพวกอะไรก็เหมือนกันแจกก็แจกไปคนแจกเป็นอบัติ นะแต่ว่าของนั้นก็ยังไม่เป็นอันแจกก็ยังเป็นของคุขพันของสงอยู่เหมือนเดิมนะผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาวาสเกี่ยวข้องกับที่ของสงนั้นควรศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจจะได้ปลอดบาปหน่อยว่าของสงนี้ในในเล่มสี่สิบหกนี้กล่าวด้วยว่าผู้ที่เอาของสงเอาของสงเนี่ยไปให้คารวาสเป็นมหาโจรชนิดหนึ่งเหมือนกันนับในมหาโจรห้าจำพวก นะเป็นมหาโจนที่ว่าปล้นครุพันแต่ถ้าผู้ที่ปล้นอุตริมนุสธรรมนะตัวเองไม่มีมรรคผลนิพานฌานอภิญญาอยู่ซากอย่างแล้วอวดว่าคุณวิเศษอันนั้นมีอยู่ในตนอันนี้เ็าเรียกว่าปล้นปล้นระดับมนุษย์เทวดาและพรหมโลกว่างั้นปล้นอันนี้เาเรียกว่าปล้นปล้นสามโลกเลยเรียกว่าปล้นคุณธรรมอันสูงส่งนั้นการให้ไม่ภผ่นั้น เพื่อหวังอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ถูกต้องนนะให้ใบไม้ให้ดอกไม้ให้ผลไม้ให้ไม้สีฟันให้น้ำล้างหน้าให้เครื่องอาบน้ำให้จุนให้จุนก็คือให้ผงทาตัวนะแจกสบู่แจกน้ำพวกอะไขอเข้าของเครื่องใช้ซึ่งไม่สมควรจะทำนี่แหล ะ, ะนะครัว่าจุนก็คือพวกผงทาตัวนั่นเอง อย่างดินเหนียวก็คือดินเหนียวที่สําหรับเขาอาบน้ําอมือนะสมัยก่อนอินเดียเขาเอาดินนะมาไปอาบน้ำไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่มีสบู่เหมือนสมัยนี้นะก็คือนึกภาพก็คือพวกสบู่พวกเครื่องอาบน้ํานั่นเองอะนะเอาไปเที่ยวแจกไม่ได้นะหรือไม่ก็พูดยกยอเพื่อให้เขารักเหมือนกันพูดประจบประแจงเออถ้าเราพูดคํานี้นะเขาจะต้องชอบเราเลยะนะไปเกี่ยวข้องกับค า, ารวะสญาญโยมเสร็จแล้วก็ไปพูด พูดยกยอเขาพูดแบบคุณเนี่ยมีศรัทธาดีจริงๆนะคุณนี่มีคุณธรรมอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อที่จะยกยอปอปั้นนะเสร็จแล้วเขาจะได้เรื่อมไสเขาจะได้ถวายปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นอเนสนากรรมของที่เขาถวายมานั้นชื่อว่ามาจาก<ม>อาชีพที่วิบัติเนขะ้าของที่คนคนนั้นเนี่ยโอเราไปยกยอเขาใหญ่เลยแต่แล้วเขาอาหารเป็นต้นมาถวายอาหารเหล่านั้นชื่อว่า เป็นอาหารที่เกิดจากอาชีพที่วิบัติหรือว่าพูดทีเล่นทีจริงเสมอด้วยแกงถัว่วเขาบอกว่าคําพูดจริงปนเท็จอ่ะนะพูดจริงบ้างพูดเลยเกินเกินอยู่เรื่อยเลยนะพูดเกินเกินเพื่อให้เขาชอบเพื่อให้เขาตลกโบคาให้เขาชอบใจอย่างสมมุติถ้าแสดงธรรมก็จริงจริงปนเท็จเท็จปนจริงผสมป น, ปนเปกันไปโยมจะได้ติดตามโยมจะได้หัวเราะจะได้ขำจะได้ตลกโบคาอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะนะให้เขาศรัทธาให้เขาเลื่อมใสเป็นต้น อันนี้ก็เป็นอเนสนากรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันหรือไม่ก็เป็นคนรับเลี้ยงเด็ก น, น, นะแองถั่วบางอย่างเนี่ยนะมันมันสุกกับดิบเนี่ยอาจจะเกือบเท่ากันอนะ่ะสุกดิบน ะ, ะตรงนี้คําพูดที่สุกดิบก็คือคําพูดที่จริงกับจริงกับเท็จเนี่ยพอๆกันเลยนะผสมปนเปกันไปแต่ว่าฟังแล้วสานวนน่าฟังอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้จริงเรากุบขึ้นมาพูดก็มีลักษณะเนี้ย มีถั่วผีหละยก็คุ้นๆอยู่เหมือนกันนะถัวสมัยโบราณมันต้มๆอยู่แล้วัวบางเม็มืนต้มแล้วไม่ดิบเจริญพรชาย <c oughs> อ่ะนั่นแหละ <c oughs> คือแกงถั่วนั้นถ้าถั่วที่ไม่ได้รับการคัดมาอย่างดีนะมันจะมันจะแข็งๆอยู่สักเม็ดหนึ่งอันนั้นเรียกว่าดิบนั้นะแกงถั่วที่ไม่ได้คัดแบบชาวบ้านนี่จะเป็นลักษณะนั้น <c oughs> อันคําพูดของคนที่พูดจริงกับ <c oughs> จริงกับเทศเนี่ยผสมกันเนี่ยนะแต่คนนี่เชื่อนะ เขาบอกว่าบางคนเนี่ยพูดจริงเขาไม่เชื่อหรอกนะเราต้องพยายามพูดหลอกๆไว้อันเนี้ยโอ้เชื่อจริงๆเลยเขาบอกว่าอย่าโยมบางคนนี้เขาเล่านะเขาเล่าว่าอาจารย์ว่าผมไปพูดกับแม่บ้านจริงๆไม่เชื่อหรอกเขาว่าอยงั้นมันก็พูดผสมผสมปนๆบ้างอันล้นโอ้เชื่อจริงๆเลยเขาว่าต้องหลอกหน่อยๆเนี่ยจึงจะเชื่อดีเขาว่าแต่พูดจริงๆรับไม่ได้นั่นแหละ เ, เขาเล่านะจริงหรือเปล่าไม่ทราบเพราะฉะนั้นการเป็นคนรับเลี้ยงเด็ก เป็นรับเลี้ยงเด็กให้เขานะเขาจะไปธุระไปที่ไหนมาเดี๋ยวตา ม, มาดูแลให้อย่างเงี้ยก็คือไอ้ที่ดูแลให้ดูแลทําไมเออเขาจะได้ถวายข้าวของเครื่องใช้ก็จะได้มีศรัทธาวันหลังเขาจะได้มาทําบุญให้ทานนะนะอาจจะคิดเลยเถิดไป <c oughs> ทําบุญให้เราเนี่ยแหละไม่ได้ใ ห, ใ ห, ให้ให้ทานอะไรเปราต้องต้องดูว่า มันในลักษณะไหนนะแต่ถ้าลักษณะอบรมขัดเกลวนะซึ่งเขาอยู่ในวัยพอที่จะแนะนำได้แล้วพูดคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ทีนี้ว่าส่วนทั่วไปนั้นที่แบบคล้ายๆกับว่าไปไปเล่นกับเด็กอยู่เรื่อยนะมาเดี๋ยวฝากให้ดูแลให้อะไรให้เคยเห็นเยอะเหมือนกันอะไรบางใกล้วัดจะไปไหนก็อเอาไปให้หลวงพ่อท่านดูให้อย่างนี้ นนก็รับเลี้ยงเด็กไปให้เขาศรัทธาเลื่อมใสอันนี้ไม่ค่อยดีเนาะหรือว่าการรับใช้คารวาะมีการงานทั่วไปก็คือคําว่าใช้คารวะาเนี่ยนะก็คืองานที่ที่ไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพระเลยอะก็ไปไปรับใช้เขาอะ่ะเออเดี๋ยวต่อมาจะทําให้เดี๋ยวจะทําให้ไอ้ซึ่งสิ่งที่ทํานี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธรรมวินัยคำสอนอะไรสักอย่างแต่ก็ทําไปรับทําให้ หรือทำเวชกรรมเวชก็คือหมอนะเวชกรรมก็คือการงานของหมอไปรับเป็นหมอนะรักษาโรคนะ <c oughs> มีวินัยเกี่ยวกับเรื่องการรักษาว่าพระนี่จะรักษาใครได้บ้าง น, นะเช่นถ้ามีความรู้เรื่องหยูยาก็รักษาพระเนนด้วยการเป็นต้นนะซึ่งมีรายละเอียดอีกในเรื่องของการรักษาโรคแต่ว่าไม่ใช่ว่าเปิด <c oughs> เป็นเปิดร้านเลย <c oughs> แตาอย่างนี้ก็อาชีพไม่ค่อยดีเนาะ คือเราฟังอยู่ตรงนี้นะเราอยาพยายามพา พ, พิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้กล่าวแต่ทำก็พอส่วนใครจะเป็นอย่างไรนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราเนาะต่อไปนะการทำทูตกรรมทูตกรรมก็คือเป็นคนคอยบอกข่าวอะ่ะเป็นผู้สื่อข่าวให้อะ่ะบ้านนี้เขามีงานอันนั้นเดี๋ยวคนนี้ไปบอกให้นะรับบอกข่าวให้เป็นเสร็จหมดมีพระบางประเทศเนี่ยนะจากประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละ ไปทางยุโรปไปเป็นบุรุษปรานีตอนที่อยู่ในเรือเนี่ยท่องภาษาอังกฤษนะได้เยอะท่องดิกชนเรียนเนี่ยนะหมดพอไปถึงต่างประเทศไปเป็นบุรุษปรานีให้แต่ตอนหลังก็มีชื่อเสียงมากพอสมควรองค์นี้นั่นแหละอันในลักษณะนี้เป็นทูตกรรมงานทูตก็ไม่เหมาะอันทูต ถ, ถ้าทูดถึงกับลักษณะเป็นพ่อสื่อแม่ชักด้วยเนี่ยนะระวังสังคาติเตสนะนะ่ อย่างเช่นเออโยมบ้านนั้นก็มีลูกสาวบ้านนั้นมีลูกชายเดี๋ยวเออคนนี้จัดการให้เลยอเหมาะสมมากลักษณะนี้เป็นปัจจัยแห่งสังขาธิเศตนะ่ะอันหนึ่งพิสูดใดนะอันแล้วที่ว่าอะไรนะถึงถึงความชักสื่อให้หญิงอยู่ร่วมกับชายเนี่ยนะโดยที่สุดแม้แต่หญิงแพทย์สยามแม้พิสูจนั้นก็เป็นสังขาธิเศตนะนะสังขาธิเศตอยู่ปริวาสนะ เพราะฉะนั้นแอบทูตกรรมต้องดูว่าทูตระดับไหนด้วยนะทูดน้อยก็โทษน้อยหน่อยแต่ทูตเรื่องใหญ่หน่อยก็โทษมากหน่อยหรือไม่ก็เป็นผู้การไปอย่างผู้ตามสามตามอย่างสามตามก็คือรับส่งข่าวสารให้นะเรื่องไม่เป็นเรื่องก็โหรับทําให้เขาหมดรับส่งข่าวสารให้เขาสมหมดเลยการให้อาหารเพื่อหวังละนะเรียกว่าต่อลาบนะ มีสมมุติว่าวันนี้พระมีสม้มอ่ายมมเอาไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ยมมีแอปเปิ้ลจะได้มาถวายพระรับขนะเนี้ยนะครเรียกว่าให้เพื่อต่อราบนะแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งนะที่จริงมันตกด้วยนะตรงนั้นตกการแลกเปลี่ยนไปถ้านับในนี้จะได้ยี่สิบแต่ว่าตกคำหนึ่งไปก็คือการแลกเปลี่ยน <c oughs> แลกเปลี่ยนกันก็ไม่ได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนนี่ไม่ได้ แม้แต่แม่ยังแลกกันไม่ได้เลยวินัยไม่ให้นะแต่ว่าถ้ารู้จักใช้สมณโวหารก็ได้มีสิ่งนี้แต่ไม่ประสงค์สิ่งนี้ต้องการสิ่งนั้นบอกว่ามีผ้าอย่างนี้แต่ว่าไม่ต้องการผ้าอย่างนี้เราต้องการผ้าอย่างนั้นเรบอกว่าโยมเข้าใจเลยเออยอมจะเอาวันนั้นเองนะอันนี้ถวายท่านไปอย่างนี้ได้เรียว่าสมณโวหารแต่บอกว่าตัมมานี่มีอนี้ขอแลกกับโยมหน่อยวินัยไม่ได้ ของที่ได้มาเป็นนิสส ค, คีเป็นอับัตรปา จ, จิตติแล้วก็เป็นพวกหมอดูทํานายพื้นที่นะที่ตรงนี้ปลูกบ้านได้ที่ตรงนี้ปลูกไม่ได้ที่ตรงนี้ดีไม่ดีนะดูทําเลดูพื้นที่เนี่ยก็ไม่ได้แสดงว่าดูของจุวยไม่ได้เลย น, น, นะรับทําประกอบอาชีพนี้ไม่ได้หรือการทํานายเลิกนะเลิกไม่เช้าเลิกดีสายเลิกดีบ่ายเลิก ด, กดีค่ำเลิกดีเป็นต้นไม่ได้สักจย่าง ดูอวัยวะคือพวกดูลายมือดูอะไรต่างๆเนี่ยดูลักษณะส่วนทรงต่างๆแล้ววิจารนะไม่ได้เลยนั้นการกระทาทั้ง21อย่างนี้เรียกว่าอเนสนากรรมถ้าหากว่าทาเป็นอาชีพไปเลยหรือว่าทำเพื่อเพื่อการเป็นอยู่เป็นต้นนั้นเป็นอาชีววิบัตินะถ้าหากว่าผู้ต้องการรายละเอียดเยอะๆหน่อยก็ดูได้ในจุลศีลจุลศีลมัชชมศีลและ มหาสีในทีคัณฑกายศีละคันทะวักพรหมชาลสูตรก็มีสามัญญผลสูตรก็มีอีกหลายสูตรเลยที่กล่าวในลักษณะนี้คือถ้าเราพิจารณาดูเนี่ยเราดูเราดูความรู้สึกของคนทั้งโลกนะครับที่ที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะนะฮะก็ก็ดูว่าดีอ่ะคือว่าเช่นการรับเลี้ยงเด็กหรือว่าการ เป็นหมออ่ะคือทําเวชกรรมนะดูดูก็เออก็ช่วยสงเคราะห์คนที่เขากําลังได้รับความทุกข์อ่ะแล้วพระก็เป็นหมอก็ช่วยเป็นการช่วยเอ๊่น่าจะดีใช่ไหมครับฟังดูแล้วไม่น่าจะไม่ดีเลยนะแต่จริงๆแล้วนี่นะครับพระท่านทําหน้าที่ผิดเพราะว่าพระภิกษุจริงๆแล้วเนี่ย ท่านทำหน้าที่แล้วจะเป็นประโยชน์มากกว่าอย่างนั้นและไม่ใช่หน้าที่ของท่านด้วยไปแย่งไปแย่งหน้าที่ผู้อื่นเข้ามาทำเราดูให้ดีนะไปแย่งหน้าที่ผู้อื่นเข้ามาทำแล้วก็หน้าที่ตัวเองก็บกพร่องนะฮะถูกไหมครับเมื่อหน้าที่ตัวเองบกพร่องซึ่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญด้วยนะครับก็มัวแต่ไปสงเคราะห์ อ, อย่างนั้นถ้ามองผิวเผินก็ไม่เลวดี แต่ถ้าลึกๆแล้วถูกต้องอย่างที่พระภุทธภาคทรงตัดไว้ว่านี่นี่ผิดศีลนะแล้วก็รายละเอียเดเกี่ยวกับเรื่องอเนสนาย1ิบเอ็ดนั้นสามารถดูได้อีกแห่งหนึ่งก็คือในสังขาธทิเศเสักขาบทที่สิบสามถึงเรื่องว่าอันหนึ่งพิษสูดใดเนี่ยนะเข้าไปไปอยู่ในชนบทแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เนี่ยนะเป็นผู้ปทุศร้ายตระกูล โดยการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าหาว่ามีการโจททวงเป็นต้นนี่เป็นเหตุแห่งอับัติสังฆทิเศษด้วยแล้วต่อไปนะว่าทั้งหมดนี้ก็ชื่อว่าเป็นการประกอบอาชีพธรรมเนสนากรรมซึ่งไม่ได้เป็นไปเพื่อความเจริญในศาสนานี้และเที่ยวไปในอะโคจรหกอย่างอะโคจร น, นี่ก็คือที่ที่ไม่ควรไปนะไม่ใช่ที่เที่ยวที่เที่ยวของภิสูจ ก, ก็คือสติปัาน แต่ถ้าเป็นไปตามหกอย่างนี้ไม่ใช่คือหนึ่งหญิงแพทย์สยานะก็มีมีมีพระองค์หนึ่งเหมือนกันเราจะไปโปรดสงเคราะห์โยมอย่างนี้แหละ <c oughs> ไม่นานคนไปโปรดเลยเสร็จเลยนะนั้นนี่ก็ไม่ควรไปข้อสอง ก, หงนะหงงกอ็หญิงที่ไม่มีสามีอ่ะนะหญิงไม้สาวทืนเทือก็คือหญิงที่ไม่มีสามีอ่ะ แล้วก็บันเดาะพวกกระเทยเป็นต้นเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยแล้วก็พิกษุนีสมัยนี้ก็สงเคราะห์ยมยมชีกันแล้วกันนะห่างๆหน่อยดีแล้วก็ร้านสุราหกอย่างนี้เป็นที่ที่ไม่ควรไปไปแล้วเนี่ยสติปฐานเนี่ยหายหมดแน่เป็นอักโครจรเลยขันเนี่ยลืมหมดเลยขาดอายตนะนี่ร่วงหมดอ่ะมีพระอยู่องค์หนึ่งนะพระสุนทรสมุทร ท่านท่านบวชมานี้ท่านเป็นเป็นลูกของของคนมีฐานะนะเป็นลูกของเศรษฐีมาบวชพอแม่นี่ก็คิดถึงมากตอนหลังโ ส, สเพณีคนหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าสามารถทําให้พระองค์เนี่ยศึกได้ก็บอกเออถ้าเธอทําศึกได้จะเอามาเป็นสะพ้ายเขาว่าไปเลยไปอีกเมืองหนึ่งเลยนี่ไปก็นี่มนท่านไปฉันเนี่ยทุกวันทุกวันเริ่มมาฉันข้างล่างก่อนนี้ก็จ้างเด็กให้มากวน แล้วนี่มวไปฉันขึ้นบนเรื่อยๆเรื่อย ๆ, ร, อยๆรื่อยๆทีนี้ไปจนถึงชั้นบนสุดเลยชั้นเจ็ดนั่นแหละเสร็จแล้วก็ให้ท่านฉันขณะที่ท่านฉันเนี่ยท่านยังไม่ทนันฉันอะไรเท่าไหร่เลยก็ตะเล้าตะโลมใหญ่เสร็จแล้วถึงกับเปลื่องผ้าเป็นต้น น, นะนะเออมีองค์เดียวเจริญวิปัสสนาตรงนั้นแหละเป็นผ้าร ห, ารหนันเหาะหนีเลย <c oughs> นะที่เหลือป ร, ราชิกเกือบเปียบเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นจะไปเรียนแบบเลยดันั้นทั้งหแข่งนี้ไม่ควรไปแล้วก็การคลุกคลีด้วยพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาเดรธีสาวกของเดรธีการคลุกคลีด้วยครืหัดที่ไม่สมควรคือคลุกคลีด้วยกิจที่ไม่สมควรเนี่ยนะไปนั่งรับแขกซึ่งแขกคาว่าไม่ได้รับด้วยธรรมปฏิสันฐานเนี่ยะก็ถือว่า เป็นการคลุกคลีที่ไม่ไม่สมควรนะไปเกี่ยวข้องไปทำกิจอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่เหมาะสมก็หรือย่อมเสพคบเข้าหาตระกูลทั้งหลายที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสด่าบริภาคใคร่ความชืบหายใคร่ต่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลความไม่ผาสุกและความไม่กเกษมจากโยคะแก่ที่สูงทั้งหลายภิษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาตระกูลที่เป็นปฏิปักษ์ต่อศาสนา ปฏิปักษ์ต่อภิ ส, ส, สุนะพิสุภิสุณีุบาสกอุบาสิกาตระกูลเหล่านั้นไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องอนะกุลบุตรนี้ชื่อว่าผู้ฉลาดในสิ่งที่ไม่ประโยชน์ว่าไงคือไปทำํำตามนี้ทั้งหมดเนี่ยฉลาดอย่างนี้ฉลาดเพื่อไม่ใช่ประโยชน์นะจิงอยู่อาจจะได้ปัจจัย4ี่จีวออาจจะมากขึ้นแต่อย่าลืมว่าจีวอเ น, นี่ยนะเป็นอะไรปัจจัย4ี่นั้นเป็นกิ่งใบของพรหมจรรย์เท่านั้นเอง เป็นกิ่งใบของพรหมจรรย์เท่านั้นเองอันถ้าหากว่าให้คุณค่ากับปัจจัยศีมากจนเกินไปนะสะเก็ตของพรหมจรรย์คือศีลก็ไม่ได้กับพีคือสมาธิเป็นต้นนะวิปัสสนาหรืออริยมรรคอริยผลก็ไม่เกิดก็มาติดพันผูกพันอยู่กับปัจจัยศีนั่งเก็บแต่ภา พ, พแต่จีวร อ, อยู่นั่นแหละไม่ต้องทําอะไรกันแล้ว<ด>นะ<ป>จิตผ่อนเพราะฉะนั้นกิจของผู้ที่บวชเข้ามาก็ต้องฉลาดนะเนี่ย เป้าหมายเบื้องแรกเลยเข้ามาทำอะไรในศาสนาเข้ามาทำไมบวชทำไมเป็นต้นงนั้นความคิดอันนี้ต้องชัดเจนตั้งแต่ต้นเพราะว่าการบวชนั้นในมหาสุญญาตาสูตรเนี่ยกล่าวไว้ดีมากก็บอกว่าผู้ที่ปฏิบัติพลาดในพระศาสนาก็เหมือนกับราชกุมารตกจากคอช้างเจ็บมากเหมือนเปอร์เซ็นต์แขนหักขาหักหรือตายเนี่ยมาก ส่วนแบบบวชแบบเดียรัตีนอกศาสนาก็เหมือนกับจากตกจากหลังแกะหลังอะไรเล็กๆอะ่ะมันก็ไม่ไม่เจ็บเท่าไหร่เพราะว่าราชกุมารเป็นต้นเนี่ยที่ตกจากหลังช้างก็คือเสือเส่อมจากจะเสื่อมจากราชสมบัติใช่ไหมขาเป๊พิการเป็นต้นนี่ก็อดและราชสมบัติก็เสียหายการที่มาเกี่ยวข้องคลุกคลีกับปัจจัย4ี่ในกิจที่ไม่ชอบทำแบบนี้เนี่ยมรรคผลนิพพานเนี่ยไม่หวังเลยอย่าว่ามรรคผลนิพพานเศีลอย่างรักษาไม่ได้ เมื่อศีนรักษาไม่ได้เนี่ยรถผลัดที่หนึ่งเนี่ยยางแตกแล้วยางรั่วเนี่ยขับต่อไปผาผลัดที่สองไม่ได้ก็นั่งฟุ้งซ่านอย่างเดียวเนะสมาธิสัมมาสมาธิก็ไม่ได้แล้วแล้วค า, า, วารวะนะครับตกจากอะไรครับถ้าคาราวะาเนี่ยเขาส่วนใหญ่ตรงนี้ก็ไม่วิจารณ์นะตกจากเก้าอี้หรือครับคารวะก็ตกจากเก้าอี้นะวันนั้นใครตกจากเก้าอีไ้ไปซะเพราะขามันหักก็ไม่เป็นไรครับนิดหน่อยเอาหม่ได้นาะ อ่าต่อไปนะว่านี่ขอโทษคับโทษอีกนิดหนึ่งครับคือข้อความตรงนี้ครับความไม่ผาสุกและความไม่เกษมจากโยคะเนี่ยผมเจอข้อความนี้มาหลายแห่งนะคือไม่เกษมจากโยคะเนี่ยหมายความว่าอย่างไงครับก็คือไม่ปลอดภัยนั่นเองไม่ปลอดภัยเลยเกษมก็คือปลอดภัยไม่ไม่ไม่ไม่เกษมจากโยคะเจนพรไม่ปลอดภัยก็คือมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรื่องราวเนี่ยลุกลามใหญ่โตต่อต่อไปอีกได้ คือถ้าจะว่าตามศับนี่นะจากโยค่านี่โยค่าตัวนี้เป็นเรื่องของครอเข้าไปติดทั้งนั้นโยค่าสีเา่เข้าไปติดในกามเข้าไปติดในภพเข้าไปติดในทิฏฐิเข้าไปติดในอวิชชาเป็นอยังไงหรือเปล่าคือโยค่ตัวนี้ก็คือการประกอบ <c oughs> การประกอบที่ที่เป็นไปเป็นไปกับสมถวิปัสสนา <c oughs> เป็นต้นนั่นเองคือถ้าหากว่าไปเกี่ยวข้องกับตระกูลที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยนะเรื่องราวเป็นต้นก็จะลุกลามใหญ่โตที่จะมาประกอบ ธรรมะที่เป็นแดนเกษมจากโยคะมาเจริญในอธิศีนอธิจิตอธิปัญญานี่ก็คงยากไอ้คำว่าโยคะเน้นเป็นแปลว่าประกอบเฉยๆประกอบอันนี้นี่แล้วแต่ว่าสำนวนนั้นกล่าวกับเรื่องอะไรแต่ถ้าเป็นไปกับโลพาเป็นต้นก็แสดงว่าอคุศลแต่ว่าถ้าเป็นไปกับการเจริญสมถาวิปัสสนาเครียกว่าโยคาวจรนั่นแหละก็โยคะอันเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าโดยศัพท์แปลว่าประกอบเฉยๆฉนั้น ตรกูลที่ที่ไม่ได้มีศรัท ธ, ธาในพรนะตนตรายนั้นถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะที่เรายังไม่มีคุณธรรมพอที่เรียกว่าไปโปรดนะเพราะเรายังไม่ถึงกับเป็นคล้ายๆกับพระมหาโมคคลานะเนี่ยอันถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างนั้นก็เรื่องราวก็จะลุกลามใหญ่โตเดี๋ยวสงครามศาสนาเป็นต้นก็จะเกิดนั่นเองส่วนกุลบุตรใดบวชในาศาสนานี้แล้วประกอบตนโดยชอบละอเนสนา เป็นผู้ใคร่เพื่อดํารงอยู่ในจตุปาริสุธีศีลนะงดเว้นทั้ง21อย่างนั้นซะและก็ดํารงมั่นอยู่ในความบริสุทธิ์ของศีลทั้งสอย่างด้วยกันก็คือบําเพ็ญปาติโมกขสังวรด้วยศรัทธาเป็นหลัก อ, อาศัยศรัทธาในพระผู้มีพระภาคว่าพระวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัตินั้ น, เ ป, นเป็นพระวินัยที่เป็นไปเพื่อรับว่าดีแห่งสง์สําราญแห่งสง์ นั้นมีเหตุผลในการบัญญัติพระวินัยทั้งสิอย่างและก็เชื่อมมั่นในความตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคอันพระวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัตินั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความสุขโดยทายเดียวอันปาฏิโมกสังวร น, นี่นะสำเร็จด้วยศรัทธาบําเพ็ญอินทรีย์สังวรด้วยสติเป็นหลักนะมีสตินะจึงจะรักษาอินทรีย์สังวรได้เห็นแล้วใจไม่เป็นโลภะโทสะนั้นต้องมีสติ ธรรมสตินี่เป็นอย่างไรคือมีสติสามะที่จะปรารบเป็นไปกับกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะที่เห็นได้คนลักษณะนั้นมีอินทรีสังวรเห็นอย่างไรโลภะไม่เกิดแต่ในขณะเดียวกันนั้นจะต้องรู้ว่าเห็นอย่างไรแล้วโลภะแจึงเกิดปัญหาสำคัญในส่วนหนึ่งก็คือเห็นอย่างไรเป็นโลภะเห็นอย่างไรเป็นโทสั ผู้ที่ศึกษาพิธรรมมาดีก็จะรู้ว่าเห็นยังไงเป็นโลภะดวงที่หนึ่งนะต้องต้องผ่านการวิจัยพวกนี้ทั้งหมดจึงจะรักษาศีลข้อนี้ได้เห็นอย่างไรโลภะเกิดเห็นยังไงเป็นโลภะเป็นไปกลับมานะเห็นยังไงโลภะเป็นไปกับทิฏฐิอันนะอันจะต้องแตกฉานในเรื่องในธรรมานุปัสสนานะอายตนาบภาพรู้จัก จักสุใช่ไหมพึงรู้จักจักสุพึงรู้จักสีพึงรู้จักสังโยชน์ที่อาศัยตาและสีนะตาและรูปสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยนะอันนี้ก็เป็นในธรรมานุปัสสนสติปัฏฐานหรือถ้าธรรมดาทั่วไปนั้น จะต้องรู้จักนิมิตเออนิมิตอันนี้เป็นสุภาณิมิตนะถ้าสายใจโดยสุภานิมิตคอยรู้เถอว่าชาวนะในขณะนั้นเป็นโลพาปแปอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเห็นแล้วปฏิฆานิมิตนะปฏิฆาบแล้วว่ากระทบกระทั่งหรือไม่เป็นที่พอใจอะนะเห็นแล้วสายใจในลักษณะไม่พอใจชาวนาในขณะนั้นเป็นโทสักแต่ถ้าเห็นแล้วไม่พิจารณาก็เป็นอุเบขานิมิตนะชาวนะเป็นโมหะ ทีนี้เห็นอย่างไรจิตใจจึงจะไม่เป็นอย่างนั้นอันฝ่ายตรงการข้ามกับโลภะเนี่ยจะต้องมีข้อมูลอย่างเพียงพอเห็นอย่างไรถ้าปฏิปักต่อสุภานิมิตจริงๆก็คือตระกูลอสุภากรรมฐานนั่นเองหรือถ้าเห็นข้าวของทั่วไปอย่างใรอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นอย่างไรจึงจะปรรบฐานะกุศลได้ปรรบศีลกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งได้ แต่คนที่จะปรารบสติลักษณะนี้ต้องเห็นคุณค่าของสติจริงๆว่าสตินี้เป็นทรัพนะจึงจะได้ไม่เพลินไปกับอารมณ์นั้นๆแต่ถ้าเพลินเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรนะสมุทัยศักดิ์ก็เกิดขึ้นนะ้วมนไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ยุติธรรมได้เกิดใหม่อีกแนะ่อะไรแต่ถ้าหากว่าชีวิตที่เป็นไปในลักษณะนั้นเนี่ยไม่ต้องศึกษาคําสอนก็ได้เพราะมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าศึกษาคําสอนก็มาวิจัยว่าเออเห็นอย่างนี้ทําไมอคุศลมันจึงเกิด อากุศเนี่ยเกิดเพราะเหตุใดทำไมจึงเป็นโลภะอย่างเงี้ยก็ต้องเอาคำสอนทั้งหมดเนี่ยมาวิจัยตรวจสอบลงให้หมดเลยคำว่าปฏิฆานิมิตหรือสุภาณิมิตนะครับก็คงจะเป็นไปทั้งหทวารใช่ไหมครับเพราะว่าโดยมากเราจะเข้าใจเป็นทางตาซะหมดเช่นบอกว่าสุภาณิมิตเนี่ยแล้วก็นึกไปว่าเราเห็นอะไรที่มันสวยงามใช่ครับ แต่ว่าพอได้ยินเสียงที่มันไม่พอเนี่ยมันเป็นสุภาณิมิตหรือเปล่าหรืออสุภาณิมิตยั ง, งไงครับในอารมณ์หเลยนะสํารวมอินทรีย์หอ่ะอันที่หนึ่งก็คือสํารวมจากขุนศีคําว่าจากขุนศีหมายถึงทํำยังไงชาวณทางจากภูทวานนี่นะจะไม่เป็นโลภะสํารวมหูที่จริงหูมันเป็นอัพยากระตะธรรมไม่ได้บุญได้บาปอยู่ตรงนั้นหรอกแต่ว่าชาวะที่เป็นไปกับการได้ยินเสียง ทำยังไงฟังเสียงแล้วจะไม่เป็นอกุศลเสียงฟังยังไงจึงจะไม่เป็นสุภานิมิตไม่เป็นปฏิฆานิมิตไม่เป็นอุเบกานิมิตนะหายใจเข้าได้รับกลิ่นชาวนะเกิดขึ้นในขณะนั้นทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นสุภานิมิตและก็ปฏิฆานิมิตอุเบกานิมิตเลนรับรสเนี่ยนะ ทานอาหาเนี่ยปัจเวกบ้างหรื อ, อยังอันนั้นแหละอย่างน้อยๆก็ปัจจัยสามีศิตาศีนเข้าไปแต่อ อ, อร่อยดีนะขอให้รู้เธอว่าโลพาถ้าดีอร่อยมากก็โสมนัสไปอร่อยน้อยหน่อยก็โลพาแบกอุเบกขาไปะแต่ถ้าไม่อร่อยเลยเนี่ยจืดชือดเนี่ยตังหิตตังหิตเนี่ยก็โทสะล้ก็ทานทานให้มันอิ่มๆไป สักแต่ว่าคิดเรื่องอื่นไปทานไปเนี่ยนะอันนี้ก็พอได้มั้งอุเบกขานิมิตโมหะก็ไปอีกนั่นแหละเพนั้ น, นชีวิตคาว่านี่นะไ้ปฏิฆาในมิตทั้งทั้งโสตทวานิมีเยอมกันนะชีวิตครอบครัวนี่ต้องดูให้ดีนะแล้วถ้าเกิดมันเป็นสุภาแล้วครับสุภาเป็นเสียงห ว, วานๆนังไงครับก็เขาคุยด้วยดีๆก็ยิ้มๆแบบนี้นคือฟังแ ล, แล้วไม่ระคายหูเลยว่า ง, งั้นเถอะ ฟังเข้าคุยกันทั่วไปแล้วไม่ระคายหูเลยนะนั่นแหละส่วนใหญ่เป็นสุภนิมิตแล้วล่ะแต่ถ้าฟังแล้วระคายหูใ น, นี่ีสันาเป็นปฏิฆานิมิตพันพวกนี้จะต้องได้รับการวิจัยอย่างดีจริงๆนะถ้าข้อมูลไม่เพียงพอเนี่ยนะรักษาไม่ได้ถ้าคนที่ไม่เข้าใจสมถะวิปัสนาเป็นต้นเนี่ยจะไม่เห็นคุณค่าว่าไมจะต้องมารักษายุมย่มๆ ม, มขนาดนี้ด้วยนะถ้าหากว่าไม่เห็นคุณค่าของสติว่าสติเหล่านี้ เป็นไปเพื่ออริยมรรคเป็นต้นนีนะ่ถ้าไม่เห็นคุณค่าว่านี้เป็นทรั์จะรักษามไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าหากว่าเราเขียนเป็นแบบฟอร์มมาแล้วจะรู้เลยว่ารายละเอียดของชาวนาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะเพราะลักษณะใดนะเดี๋ยวจะขอขึ้นเขียนอีกนิดหนึ่งนะเพื่อที่จะได้ทบทวน่อยคำว่าอินซีอินรีห6นั้นเป็นชื่อของตาหู จมูกเลนสกายแล้วก็ใจห้าตัวนี้หมายถึงภาษาทรูปอนะอันนี้ก็ได้แก่ส่วนใหญ่แล้วเน้นไปที่ภวังนะเพื่อที่จะอันนี้เท่ากับเป็นปัจจัยแก่ชาวณในปัญจทวารวิถี นะอันนี้ก็เท่ากับชวนะในมโนทวารวิถีนะถ้าหากว่าอารมณ์ของจักคูทวารวิถีก็ได้แก่ตาเห็นสีนะก็คือเท่ากับสีสีนั้นาชาวนะทั่วไปที่เป็นอากุศล น, นั้นแบ่งออกเป็น สาสายใหญ่ๆคือโลภะแปดโทสะสองแล้วก็โมหะอีกสองอสีสีเดียวนี่นะภาพภาพเดียวเนี่ยทำไมจึงเป็นโลภะนะก็เพราะว่าที่จริงสีนั้นก็เป็นธรรมดาของเขาความจริงของสีก็คืออัพยากตะธรรมเท่านั้นเอง นะต้องต้องรู้จักค่าที่เป็นจริงของสีก่อนสีอันนี้ก็คือรู ป, ปรธรรมชนิดหนึ่งเป็นเป็นลักษณะของมหาภูตรูปนะเพราะว่าสีนี้อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นเพราะาสีเป็นอุปาทัยรูปนะก็คือสวนทรงของมหาภูตรูปนั่นเองคือเรียกว่าสีทีนี้สีเมื่อสีเข้าเป็นอย่างนั้นของเขาอยู่แล้วเนี่ยแต่ทําไม ชวนะจึงเป็นโลภะเพราะเราใสา่ใจในโสภะโสภะนี่เท่ากับงามนิมิตเรียกว่าการเป็นที่กําหนดหรือเป็นที่อารมณ์นั่นเองคําว่านิมิตก็คืออารมณ์ถ้าใสา่ใจว่าอารมณ์เนี่ยสีอันนั้นเนี่ยงามนะอะไรก็ช่างเออทําไมว่าโอ้ดีจริงๆเลยนะส่วนใหญ่ชวนะเป็นไปกับโลภะหรือ ไม่งามปฏิฆะและขัดเคืองปฏิฆะนี้เท่ากับนะขัดเคืองไม่ชอบเมื่อใส่ใจว่าไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจชาวนะก็เป็นโทสะแล้วส่วนหนึ่งก็คือถ้าไม่พิจารณาก็เป็นอุเบกขาในสิ่งเดียวเนี่ยนะเช่นยกตัวอย่างเห็นเนี่ยอันนี้อันเดียวเนี่ยนะเออเนาะ โอ้งามจริงๆเลย น, น่าชมมากดีใช้ได้ใช้ได้นะส่วนใหญ่เป็นหลอ่อพระนะแปดดวงนี้สายใจไปเหอะอย่างใดอย่างหนึ่งในแปดนี้ถ้าหากว่าสำคัญด้วยอำนาจของทิฐินะโอ้ในนี้มีสัตว์อยู่ตัวหนึ่งนะถ้าทำไม่ดีเราต้องเคารพกราบไหว้เขานะถ้าทำไม่ดีบาปนะในสีอันนี้เนี่ยถ้ามีอันนี้เรียกว่ามีทิฐิประกอบ ด, ด้วยนะ สำคัญว่าเป็นมีชีวะนะอยู่ในนี้มีชีวะอยู่ชนิดหนึ่งนะถ้าเราไปเขาเขียนเข้ามากเขาเจ็บเป็นต้นเนี่ยนะลักษณะนี้เป็นทิฐิเรื่มด้วยทิฐิอันนี้นะถ้าเป็นทิฐิระดับผู้นำเรียก อ, อาสังขาริกนะถ้าคิดตามคนอื่นเขาว่าก็เป็นสสังขาิกไปนะก็จะขยายเป็นแปดดวงได้อย่างไรนะ บางคนนี่ก็ก็ธรรมดาแต่มันงามดีนะก็อ่านไปเอ๊ผลิตที่ไหนราคาเท่าไหร่อะไรก็คิดธรรมดาทั่วไปอันนี้ก็เป็นโลภะเหมือนกันแต่เป็นโลภะวิประยุทธ์นะถ้าเรียกว่าชอบอย่างรุนแรงเป็นต้นเนี่ยนะถึงกับจะซื้อหรือว่าเป็นพวกโฆษณาเป็นต้นพวกนี้ก็เป็นประเภทอสังคาริกแต่ก็เออเห็นด้วยเออใช่ใชๆ่งามอันนี้ก็เป็นโลภะประเภทสสังขาริกกันนะบางคนก็เห็นก็ ก, ก, ก็พอใช้อะไ ม, ไม่ไม่ดี ถ้าบอกว่ามีดีมากดีพอใช้นะเขบอกว่าถ้าดีมากเนี่ยเป็นโลภะประเภทโสมนัสถ้าพอใจก็คือโสมนัสอ่อนๆแต่ถ้าเออพอใช้ก็เป็นโลภะประเภทอุเบกขาทีนี้เมื่อใส่ใจ3ามอย่างเนี่ยนะแบบนี้ลักษณะนี้เป็นชาวณนะเป็นไปกับอกุศลตลอดเมื่อเป็นไปกับอกุศลอย่างนี้เนี่ยจึงไม่มี ไม่มีอินทรีย์สังวรนะจริงอยู่ศีลที่เป็นปาฏิโมกข์ซึ่งปิดอบายขณะนั้นๆเนี่ยเราไม่ล่วงก็จริงแต่ชาวนะเป็นอกุศลเมื่อชวนะเป็นอกุศลนี้โลภะไม่ชื่อว่าศีล น, นะโทสะก็ไม่ใช่ศีลโมหะก็ไม่ใช่ศีลทีนี้เห็นอย่างไรจรึงจะเป็นศีลน่ะเห็นอย่างไรจรึงจะเป็นศีลก็ต้องปรารบไม่ถือโดยนิมิตและอนุพยัญชนะเนี่ยตรงนี้ยากหน่อย ที่ว่ายากหน่อยก็คือปรารบสิ่งเหล่านี้ยังไงจึงจะเป็นฐานนกุศลเป็นต้นมองให้เป็นฐานกุศลก็ได้ในข้าวของเครื่องใช้ทั่วไปนี่นะมองให้เป็นประโยชน์ก็ได้อย่างเช่นข้าวของเครื่องใช้ของคาราวะทั่วไปพระองค์จึงบอกว่ามีวัตถุเหล่านี้เพื่อบำรุงมารดาบิดาเนี่ยนะสงเคราอบบุตรภรรยาเป็นต้นถ้าปราลบในลักษณะ น, นั้นเป็นเป็นมงคลเป็นกุศลไปนะปรารบเพื่อที่จะหนึ่งนะเลี้ยงตนให้เป็นสุขเลี้ยงผู้อื่นให้ เป็นสุขดูแลครอบครัวปลารคในลักษณะนี้มันจะไม่เข้าไปผูกพันนะแต่จะเห็นประโยชน์ของสิ่งนั้นนั้นตามตามความจริงของอันนั้นเมื่อปลารคในลักษณะนั้นบ่อยๆก็เป็นกุศลศีลไปแต่ถ้าจะเอาละเอียดมากกว่า น, นั้นอีกก็คือเรื่องของเอาทานากุศลมามาจับแต่ทีนี้คนที่จะสังวรสังวรอันนี้เนี่ยนะสังวรด้วยสติเนี่ยที่จะสังวรได้นี้ก็ต้องมีสองอย่างก็คือ รู้จักโทษของโลภะนะโทษของอกุศลเหล่านี้คนเหล่านั้นต้องรู้อยู่แล้วจึงจะสังวรได้ต้องเห็นโทษจริงๆเลยนะว่าถ้าหากว่าชาวนะเราเป็นแบบนี้เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในชีวิตของเราต่อไปเรามองเ อ, อ้อชีวิตวันนี้พรุ่งนี้ไม่มีปัญหาแต่สิ่งนี้เป็นเป็นสเสบียงทางได้ไหมไเป็นบารมีเป็นกุศลเป็นเป็นที่พึ่งในภพต่อๆไปเป็นไปได้ไหมเมื่อเป็นไปไม่ได้สิ่งเหล่านี้มีโทษ โลภะเหล่านี้เนี่ยใหม่ๆอาจจะเล็กๆน้อยๆแต่อย่าลื่มนะไฟนี่นะมันเกิดจากไม่ขีดก้อนนิดเดียวเองแต่ก็ไหมบ้านไหมเมืองได้อย่างโทสะที่กล่าวถึงพระโกกาลิกะเนี่ยนะโทสะตัว น, นิดเดียวเองเกิดเรื่องจากโลผ้าปรารนาลาบสการะหวังจะให้พระสารีบุตรเป็นต้นเนี่ยน ะ, ะเป็นตัวเรียกลาบสการะให้พระสารีบุตร บ, บ, บอกเออปัจจัยจเหล่านี้ไม่ควรแก่แต่ท่านด้วยไม่ควรแก่โกกาลิกะด้วย พระโกก า, กาลิกาเนี่ยผูกเรื่มผูกพยาบาลตอนหลังภาษาริบุตรมาอีกคนมาถวายเข้าของเครื่องใช้มากท่านก็บอกว่าภาษาริบุตรปรารถนาลามกถึงกับไปด่าภาษาริบุตรเมื่อด่าภาษาริบุตรแล้วนะเขาเรียกว่าตายอย่างง่ายๆเลยก็คือตุ่มเนี่ยมันออกที่เล็กๆนะเท่ากับเมล็ดพันธุ์อกาศเนี่ยเกิดทั่วตัวเลยแล้วมันก็โตขึ้นเรื่อยๆนะจากเท่า เ, าเามเล็ดพันธุ์อากาศเท่ามเมล็ดงาโตขึ้นมาจากนั้นเท่ากับถั่ว ถั่วเขียวถั่วแดงถั่วอะไรที่มันโตขึ้นมาเท่ากับเมล็ดพุทราเท่ากับผลพุทราแล้วก็ไปเท่ากับมัตูมแล้วก็เท่ า, า ล, ลูกขนุนอ่อนแล้วก็แตกเน่าเฟะทั้งตัวเลยนะาภายในไม่กี่นาทีเองไนหะแล้วก็ตายแล้วก็ตกนรกตกนรกเขาเรียกว่าตกปทุมนรกพระอุปมาแล้วโหไม่รู้กี่เป็นร้อยล้านปีเลยนะฟังดูแลในจากพระสูตรนั้นโกกาลิกาสูตรเนี่ยกล่าวว่าท่านไม่อยู่ในนรกเป็นร้อยล้านปีเลย ซึ่งมาจากต้นเหตุก็มาจากโลภะถ้ามองปัญหาใกล้ๆนะจะไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้ามองระยะยาวว่าชีวิตของสัตว์ที่ยึดติดในสิ่งนั้นๆมากๆเนี่ยนะอะไรจะโทษอะไรจะเกิดขึ้นบ้างอย่างพิสุโรบหนึ่งเนี่ยท่านสายใจเนี่ยโอ้โหจีวรผืนนี้งามเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหม่มผืนนี้แหละไปบินถบาทท่านกับขี้อย่างนี้แล้วก็หลับคืนนั้นเนี่ยนะติดใจในจีวรอันนั้นมากตายแล้วไปเกิดเป็นเลนตัวงอยู่ในจีวรอันนั้น ถ้ามองในระยะยาวๆนี่นะมีโทษมากมายมหาศาลเราก็ดูพวกมดพวกปลวกพวกอะไรที่มันอยู่เนี่ยเพราะไม่เห็นโทษของชาวนาเหล่านี้เลยนะอันนี้ก็เป็นโทษอย่างหนึ่งทีนี้จะต้องเห็นอา น, นิสงส์อีกอย่างหนึ่งก็คือเห็นอา น, นิสงส์ของกุศลว่ากุศลเนี่ยดีมีคุณค่ามีสาระอย่างไรทีนี้กุศลเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะการศึกษาพระพิธรรมเป็นต้นเนี่ยจะช่วยได้จะช่วยได้ช่วยได้อย่างไร อย่างที่เราเคยได้ศึกษาครั้งที่แล้วเรื่องปรมตทสัจจะว่าในอารมณ์ทั้ง6เนี่ยเป็นกุศลได้อย่างไรใช่ไหมเป็นกุศลประเภทเป็นไปกับทานเศษและภาวนาในอารมณ์อันเดียวเนี่ยเป็นไปกับบุญกิรเยาวัตถุสิได้ได้อย่างไรเมื่อเป็นไปกับบุญเหล่านั้นแล้วเป็นกายกรรมเป็นวจีกรรมและเป็นมโนกรรมอย่างไรถ้าเข้าใจอันนั้นปุ๊บจะเจริญกุศลไม่ยากนะสามารถที่จะเห็นแล้วคิดเป็นกุศลได้ โดยประเภทผู้ที่ศึกษาพิําละเอียดละเอียดจะเอาเรื่องเราเหล่านี้มาตรึกมาวิจัยต่อไปได้เลยว่าสีประกอบไปด้วยอะไรบ้างใช่ไหมสีเหล่านี้มาเกิดเป็นรูปชนิดไหนมาจากปัจจัยอะไรนะก็สามารถที่จะตรึกต่อต่อไปได้สามารถที่จะเป็นปริญญาสามในขณะที่เห็นสีเหล่านั้นได้ถ้าในชั้นรายละเอียดลึกๆไปนะในสีเหล่านี้ถ้าหากว่าไม่พิจารณาเนี่ยนะ มันมีโทษแต่โทษเหล่านั้นเนี่ยท่านบอกว่าโลภะโทสะโมหะซึ่งเป็นภัยที่เกิดขึ้นในภายในเนี่ยนะคนที่โลภโกรธหลงเหล่านี้จะไม่รู้สึกและ่าถ้าหากว่าความโลภเป็นต้นเหล่านี้เกิดขึ้นจะไม่รู้อัตถะเลยจะไม่เห็นทุกข์สัตย์เลยชาติปิชาติทุกข์ ช, าชาราทุกพยาธิทุก มรณะทุกโศกะปริเทวะทุกขโทมนั้นอุปายาทุกก็ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นทุกอันนี้เสร็จแล้วก็ไม่เห็นธรรมะคือสมุทัยศาสตร์ที่เป็นเหตุแห่งทุกเหล่านี้ น, นะที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสกับพระปุณณ น, นะย่อๆคุณมนชูว่าไงมาดูก่อนปุณณะใช่ไหมรูปที่น่าปราถนาหน้าใคร่หน้ า, นาพอใจยั่วยวนชวนให้กำหนัดนะ เมื่อพิสูจเข้าไปเพลิดเพลินพูดถึงดำรงอยู่ติดใจในรูปนั้นเพราะความเพลิดเพลินเกิดขึ้นในขณะนั้นเนี่ยนะทุกเกิดขึ้นแล้วนะปุณณะนะก็ไอโลพาอ น, นั้นเนี่ยเป็นสมุทัยสัตว์เพรา ะ, ะนั้นตันหาที่ยินดีในโรปารมณ์ก็แสดงว่าปรารถนาจักขู่อีกแล้วนะฟังเสียงและติดใจในเสียงเป็นต้นก็แสดงว่าสร้างหูใหม่อีกแล้วหายใจเข้าได้รับกลิ่นชอบใจในกลิ่นเป็นต้นก็ สร้างจมูกใหม่อีกล้ถ้าติดใจในรถก็สร้างลิ้นอีกสร้างทุกใหม่อีกแล้วสร้างทุกอีกสร้างลิ้นคือสร้างทุกนั่นแหละเจริภารแล้วก็ถ้ายินดีในโพธิภะนะอากาศเป็นต้นเนี่ยนะยินดีในความเย็นความร้อนอุณหภูมิเหล่านี้อันนี้ก็เท่ากับสร้างทุกข์คือสร้างกายอันใหม่อีกอันโลภะเกิดอย่างนี้บ่อยๆก็ชีวิตของสัตว์ก็เป็นไปกับทุกกับสมุทัยอยู่ตลอดเหล่านี้ เพราะฉะนั้นไอ้อินทรีสังวรศีเนี่ยจึงเป็นอาิศีแลสิกขามีเฉพาะในภรษาศาสนาเท่านั้นเองนะคำสอนเหล่านี้จะมีเฉพาะของพระผู้มีพระภาคซึ่งไม่มีใครสา ม, มารถที่จะวิจัยได้ละเอียดละออขนาดนี้นผู้ที่จะศึกษาในลักษณะนี้จะรู้ว่าสีสีเดียวเนี่ยนะเมื่อชาวนาจิตเราเกิดขึ้นสา ม, มารถล่วงมาเป็นกายกรรมก็ได้มาเป็นวัจีกรรมและเป็นมนโนกรรมบางครั้งถึงกับื่องกรรมบุ นนะผิดศีลผิดธรรมล่วงกรรมมาบดแสรจแล้วก็ชีวิตของสัตว์ที่ล่วงกรรมมาบดเนี่ยน ะ, ะคนเราต้องยอมรับอีกอย่างหนึ่งว่าคนในโลกเนี่ยคนที่มีความทุกข์เนี่ยมีมากกว่าทั้งทั้งที่มนุษย์เนี่ยนะเป็นผลของบุญแต่ผลของบุญอันนั้นตราบก็ติดตามมาให้เห็นมากๆแต่ถ้าสัตว์ในอบายอย่างนึกถึงเวลาเดินเนี่ยนะโอ้หมดทําไมมันเยอะขนาดนั้นนะอ่ะย่างนึกเลยในอนาบริเวณที่กุติอยู่นะมีมีม สุขติอยู่สองคือพระสององค์น ะ, ะที่เหลือสัตว์ในอบายทั้งนั้นเลยอะมดนี่ไม่ใช่มดเป็นสองสามตัวนี่มันเป็นพันพันตัวแล้วมดเหล่านั้นนั้นในบริเวณนั้นถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์จะมากกว่าคนในเชียงใหม่ทั้งหมดแต่อย่าลืมว่านั่นก็สัตว์อีกพบหนึ่งซึ่งเขาพร้อมที่จะมาปฏิปสนธิเป็นมนุษย์ได้หรือเป็นอะไรก็ได้ต่อไปอีกตามสมควรแต่ความคิดนั้นๆของเขา นี่ความพิเศษของาศาสนาพุทธนะครับเนี่ยพระธรรมนี่นะที่อินทรีสังวรเนี่ยเป็นความพิเศษจริงๆเราเห็ น, นว่าเห็นสีแท้ๆหรือว่าได้ยินเสียงแท้ๆซึ่งทั้งสีทั้งเสียงทั้งทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งผลิภัพฑ์ร่วแต่เป็นอัพยากาตัรรมทั้งสิน้นถ้ามองอย่างฉลาดหรือมองอย่างง้อถ้ามองอย่างฉลาดก็มองเป็นกุศลได้เป็นทานก็ได้เป็นศีลก็ได้เป็นภาวนาก็ได้ใช่ไหมเป็นถึงวิปัสสนาก็เป็นได้ หรือถ้าหากว่ามันเป็นอกุสที่โอ้โหนี่ลงนรกขุมไหนก็ได้แต่ขุมเบาสุด <c oughs> ไปถึงลึกที่สุดก็ได้ <c oughs> ใช่ไหมครับในอารมณ์เดียวนี่นะเป็นทางแห่งคติห้าได้เลยคือแล้วแต่ชาวนะที่จะเกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นในสีสีเดียวนี่นะถ้าหากว่าบุคคลมีจิตที่เป็นไปกับทุจริตอย่างใดอย่างหนึ่งนี่นะตามสมควรถาทิฏฐิเป็นเบื้องหน้าคติก็คือเดรัจฉานกับนรกนะ ถ้าหากว่าโทสะเป็นเบื้องหน้าส่วนใหญ่ก็นรกถ้าโลภะเป็นเบื้องหน้าก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นเปรตจนตายถ้าหากว่าโมหะมากก็ส่วนใหญ่ก็เดรัจฉานเดรัจฉา น, นก็เลือกเอาแลยครับใค ร, จ, รจะคิดจะก็แล้วแต่ว่าชวนะขณะนั้นนั้นไปในอธิตปริยะสูตรเนี่ยนะท่านกล่าวบอกว่าถ้าหากว่าเธอมองเห็นแล้ว ถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะเนี่ยเอากันไกลกัดเล็บหรือเอาเมีดเนี่ยมาคว้าตาทิ้งอย่างกับประเสริฐกว่าเพราะบุคคลเมื่อเห็นแล้วถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะเหล่านั้นมีกติสองนรกกระเดราชานนะครับความน่ากลัวของชาวนะที่เกิดขึ้นทีนี้ถ้าหากว่าชาวนะเหล่านั้นถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยน ะ, ะชาวนะก็คือความคิดนั่นแหละถ้าความคิดประเภทที่เป็นไปกับโลภะโทสะมันเกิดมากๆชาวนะมีผลนะเจตนาที่อยู่ในชาวนะนั้นนะ กรรมสักตานะเอาหลักกรรมสิบสองเข้ามาจับเลยนะว่าชาวนะอันนั้นเนี่ยนะเป็นที่ธรรมก็มีเป็นอุปชาเป็นอัปราปริยะก็มีบางคนเนี่ยนะถึงกับทําคุกรรมก็มีในสีสีหนึ่งบางคนก็เป็นอจินนกรรมบางคนก็จะเป็นอาสันกรรมได้กรรมที่เกิดขึ้นในสีนั้นบางอย่างก็ไปเป็นชนกกรรมไปเป็นอุปธรรมภกกรรมและไปเป็นอุปปาปีลกกรรมได้ชาวนะนั่นแหละแล้ว ถ้าหากว่าเราปล่อยความคิดเหล่านี้ไปเราก็เท่ากับประมาทเมื่อเราประมาทนะชีวิตที่จะเป็นไปต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันจะทุกข์ขนาดไหนซึ่งใครเป็นศัตรูของใครอันพระ อ, องค์จึงสอนเรื่องกรรมสักกตาว่าสามทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจริงๆนะการเกี่ยวข้องกับเราท่านทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องกันนี่นะเป็นอารมณนะปัจจัยเท่านั้นเองเราเกี่ยวข้องกันคือรูปารมณ์สัทธารมณ์เห็นกันก็สี ฟังเสียงก็สรัทธารมเกี่ยวข้องกันจะได้อีกอย่างหนึ่งก็คือได้อุปนิสัยไปด้วยเกี่ยวข้องกับคนมักโกรธก็จะได้ความโกรธบ่อยๆชํานาญไปเกี่ยวข้องกับคนที่ชอบสวยชอบงามก็จะชอบสวยชอบงามไปด้วยแล้วแต่การเกี่ยวข้องอันนี้ก็ได้อุปนิสัยเพราะนั้นการเกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกทั่วไปแล้วได้ปัจปจัยสองปัจจัยคืออา ร, รมณปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยนั่นแหละทีนี้ไอ้สองตัวอันนี้เนี่ยนะ ชาวนะเนี่ยเป็นของเราแท้ๆเลยความคิดทั้งหมดเป็นของเราแท้ๆนั้นไอชาวนะตัวนั้นหรือความคิดอันนั้นนี่แหละจะสัดไปในภพพวิต่างๆพระผู้มีพระภาคบอกว่าโลกอันจิตเสื่อมสายเสื่อกสายไปนะโลกเนี่ยเป็นไปตามธรรมชาติอย่างหนึ่งคือคือจิตเพราะจิตเนี่ยมันแบ่งออกเป็นกี่ชาติกะสี่ชาตินะหนึ่งกุศลชาติอกุศลชาติบิบากรรชาติาาตและ กิริยาชาติกิริยานี่ยน้อยเหลือเกินนั้นเป็นไปกับกุศลอกุศลและวิบากเมื่อเราเข้าใจอันนี้ดีปั๊บเนี่ยจะทำให้สังวรระวังมากขึ้นว่าขณะที่เห็นเนี่ยนะเป็นส่วนหนึ่งทำกรรมใหม่ความคิดเราเนี่ยนะส่วนหนึ่งก็เป็นผลของกรรมเก่าถ้าวิเคราะห์วิจัยลนนักษณะนี้บ่อยๆกรรมมัศกาสามมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นเมื่อวิจัยโดยกรรมและผลของกรรมบ่อยๆนะ จะเริ่มเห็นถ้าเราไม่สังวรเนี่ยนะชวนาเป็นอาคุศลอกุศลศีลเกิดขึ้นอาคุศลเหล่านี้มีโทษนะกรรมสกตาเราจะเป็นตัววินิจฉัยเลยเราอาศัยศรัทธาจากพระผู้มีพระภาคด้วยอาศัยเหตุผลที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามองด้วยก็จะมองเห็นว่าชีวิตของผู้ที่ไม่มีคําสอนไม่ได้ตรึกเป็นไปกับคําสอนนั้นชีวิตเป็นชีวิตที่อยู่ในสังสารวัฏแบบคนไม่มีที่พึ่ง คนไม่มีที่พึ่งก็คือคนกัมพาร้านั่นเองอนาถาท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏโดยที่ไม่มีผู้ชี้ทางนะเป็นคนตาบอดที่ไม่มีผู้ได้รับแนะนำแต่ถ้าเราศึกษาแล้วปรารถถึงคำสอนแบบนี้บ่อยๆอันนี้เป็นศึกขาในพระศาสนานี้นะอันตรงนี้แหละที่ว่าจะเป็นมัชิมาหรือไม่นะข้อปฏิบัติที่เมื่อเห็นแล้วไม่เป็นโลภะเห็นแล้วไม่เป็นโทสะ ข้อปฏิบัติที่เป็นไปตามอาธิศีตอธิจิตอธิปัญญาอันนั้นแหละเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาเห็นอย่างไรจรึงจะเป็นมัชชิมาปฏิปทาไม่เอียงไปทางโลภะและโทสะถ้าโลภะยังไงจะไม่เอียงไปทางอุเฉท ท, ทิฏฐิและ ส, สัตตทิฏฐิแต่เป็นกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิสามารถมองเห็นว่าสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยนะถ้าตรึกแข่งตามนั้นบ่อยๆเป็น สัมมาสังกัปปะใช่ไหมถ้าเข้าใจอันนั้นดีตรึกตามนั้นบ่อยๆเป็นสัมมาสังกัปปะนึกถึงประธานสูตรเนี่ยพระองค์บอกว่าจะทําสัมมาสังกัปปะให้ชํานาญเั่านั้นก็คือมาตรึกยังไงจนเป็นความรู้อันนี้เป็นเป็นทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิอันนั้นเป็นทิฏฐิที่เป็นไปเพื่อเพื่อพรหมจรรย์ที่สูงต่อไปเพราะทิฏฐิอันนี้เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ แล้วถ้าหาว่ากรรมมศกตาสัมมาทิฏฐิเราเกิดมากๆเราคิดตามนี้บ่อยๆสัมมาวาจาเราก็จะดีนะการใช้วาจาต่อไปนี่ยก็จะสํารวมระวังแล้วเห็นสีที่เป็นสุภาพนิมิตยอย่างน้อยที่สุดก็จะสํารวมวัจีกรรมกายกรรมก็จะสํารวมศีลทางกายทางวาจาปาติโมกจะดีขึ้นรักษาสุขภาพจิตไม่ให้มันเป็นไปกับบาปอินทรีย์สังวรก็จะ มีขึ้นแล้วจะพิจารณาทุกอารมณ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องปัจจยสันนิสิตศินจะดีขึ้นนะปัจจะยสันนิสิตสินจะดีขึ้ น, นะ น, น, น, นเพราะสิ่งที่เราเกี่ยวข้องนะอารมณ์6ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นก็คืออะไรที่อยู่บ้างนะที่อยู่บ้างเครื่องนุ่งห่มบ้างอาหารบ้างยูกยาบ้างอันชีวิตก็เกี่ยวข้องอสี่อย่างเมื่อเข้าไปพิจารณาในอารมณ์เหล่านั้นบ่อยๆอันนั้นเป็น ปัจจะยักษานิสิตศีลแต่คนที่จะพิจารณานั้นแสดงว่าต้องสัมรวมถ้าไม่อินทรีย์สังวรก็ไม่คิดจับปัจจเวกเมื่อปัจจเวกพิจารณาแบบนี้บ่อยๆเข้าอินทรีย์สังวรจะดีขึ้นละคราวนี้เห็นอะไรใจก็จะไม่ไหลไปกับบา้านแต่ว่าการศึกษาอย่างนี้นะข้อมูลให้พอหน่อยถ้าข้อมูลไม่พอเนี่ยเครียดนะแต่ถ้าข้อมูลพอเนี่ยนะมีความสุขที่สุดในบรรดาความคิดทั้งหมด นะถ้าคิดเป็นไปกับอย่างนี้เนี่ยมีความสุขที่สุดแต่ถ้าไม่เป็นไปตามนั้นเมื่อไหร่นะคนที่เข้าใจเนี่ยจะเครียดละถ้าปล่อยจิตไปไม่ตรึกคำสอนเลยนะสองชั่วโมงเขาแล้วถ้าสำานวนทางโล ก, กบอกไข้ขึ้นเลยนะอักุศลเนี่ยมันมันเครียดขึ้นมาทันทีเลยดังนั้นเขาบอกว่าข้อปฏิบัติที่ชอบตรงถ้าปฏิบัติถูกมีความสุขถ้าไม่ปฏิบัติอยู่เป็นทุกข์ แต่ถ้าข้อปฏิบัติผิดพลาดยิ่งทํายิ่งทุกข์ท่าเลิกแล้วมีความสุขอย่างนั้นแต่ถ้าคําสอนนะถ้าศึกษาเข้าใจถูกนะจะมีความสุขถ้ายิ่งพิจารณาบ่อยๆนะเรื่องการเห็นเนี่ยนะยคําสอนนี่ทำไมเยอะแยะมากมายจริงๆแล้วนั่นทั้งหมดนั่นแหละคืออริยรัพย์ของเรา<ม>นั่นแหละทั้งหมดนั่นแหละคือทรัพย์ทั้งหมดนั่นแหละคือคําสอนของพระผู้มีพระภาคที่พระองค์ทรงประทานให้เรา<ม>แต่ทีนี้ทําอย่างไรเราจรึงจะมีข้อมูลในการวิจัยเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดได้ นะแต่ถ้าเราสามารถศึกษาเข้าใจปุ๊บเนี่ยนะอย่างคําว่าขันเนี่ยนะคำว่าขันเนี่ยบอกโหมี5้าอย่างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหูฟังแล้วมันเยอะจริงๆเลยแต่ทําไมาเรามองเห็นอักษรนะเรามองเห็นแทบไม่ต้องสะกดเลยอ่านใต้รถอ่านอะไรต่างๆนะเห็นตัวหนังสือตัวใหญ่ๆนะเหมือนกับไม่ต้องสะกดเลยนะอ่านเห็นเนี่ยเห็นอ่านออกเลยเมื่อไหรความความชํานาญของเราในการตรึกเรื่องขันเป็นต้นเนี่ยมองเห็นเป็นขันเลยอะ นะมองเห็นเนี่ยเป็นธาตุเป็นอายตนะเป็นสัจจะเป็นอินทรีย์มองเห็นเป็นปฏิจจสมุปบาททาอย่างไรจริงจะชํานาญขนาดนั้นแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ได้รับการฝึกในาศาสนาของพระผู้มีพระภาคเขาจะชํานาญอย่างนั้นจริงๆถ้าไม่ชํานาญในขนาดนั้นนะแต่ทางข้าประหารก็ไม่เกิดเมื่อต่ทางข้าประหารไม่ค่อยเกิดแต่ทางขประหารมีกี่ระดับนะแต่ทางข้าประหารระดับชั้นต้นคือศีลเป็นต้นเนี่ยนะ พวกนี้เป็นแต่ทางข้าประหารทั้งหมดเพราะเป็นการวิจัยพวกนี้นะสังวรสํารวมระวังปิดกั้นนะฮะอันคนที่สังวรสํารวมระวังปิดกั้นเนี่ยอกุศลซึ่งมันมากเทวดากล่าวว่ามันชัดทั้งภายในชัดทั้งภายนอกหมู่ประชาคือหมู่ศาสเนี่ยถูกชัดเนี่ยรบรับเรขนาดเนี่ยทำอย่างไรจึงจะถานชัดอันนี้ได้พระองค์บอกว่าสีเลปฏิทยัยยะนโรสปันโยนะนระผู้มีปัญญาตั้งอยู่ในศีลอ บ, บรมจิตเป็นต้น สีอันนั้นนี่ก็คือจตุปริสุทธิสีนส์เศรษาจตุปริสุทธิศีลให้เข้าใจเสร็จแล้วก็มาวิเคราะห์มาวิจัยค่อยๆถางไปถางตรงไหนเมื่อเห็นเนี่ยก็ถางแต่ไม่ใช่ว่าเห็นแล้วมันนึกเออสีอย่างเดียวเนี่ยคือสีรูปารมโอ้ท่าเท่านั้นไม่ได้ฉลาดอะไรขึ้นเท่าไรหรอกเที่ย์กล่าวอย่างนั้นพ่ออะไรเพราะคําสอนเนี่ยสะสะแสดงไว้ยเยอะจริงๆเลยว่าเรื่องตาเรื่องสีเรื่องจักครคูวิญญาณและวิถีจิตที่เป็นไปในขณะที่ ที่เห็นในโลกของสีเอกสีมีกี่สมุฐานสีมีสีสมุฐานตาเนี่ยมีรูปอะไรประกอบอยู่บ้างใช่ไหมโดยคำสอนนะมีกี่รูปแล้วตากับสีเนี่ยประชุมกันเข้าเป็นอะไรบ้างวิสีชีวิตกระแสชีวิตจะเป็นไปอย่างไรอันนี้โดยอภิธรรมมนาญก็ศึกษาให้เข้าใจก่อนเสร็จแล้วทรงคลอดจตุปริสูที่ศีลลงไปเห็นยังไงเป็นปาิโมกสังวรอย่างอยงพระเนี่ยมองเห็นโยมนะ เหลือบตาบางแห่งไม่ควรมองเนี่ยนะไปมองเป็นอบัตนะะมีวินัยอยู่ข้อหนึ่งไม่บอกอขยับขยักแล้วหน่อยนะมีอยู่ข้อหนึ่งนะมองผิดตําแหน่งเนี่ยเป็นอบัตนะแล้วข้อต่อไปอีกนะมันถ้าออันนั้นคือปาติโมกถ้าเป็นอันนั้นต้องไปแสดงคืนนะบอกท่านอถ้าไปแสดงกับพระที่มีพรรษา ม, มากกว่าก็บอกว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าต้องอบัตชื่อนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงคืนนบัตานั้นแก่ท่านอย่างนั้นต้องไปบอกตัวเองนะประจารยนหน่อยก็บอว่าเหมือนกับถุงดำาำใ ห, ห้ไปประจานก็บอกท่านเห็นอบัตานั้นหรือครับผมเห็นเออขอให้ท่านสํารวมระวังต่อไปสาธุผมจะสํารวมระวังด้วยดีต่อไปมันจะต้องแสดงคืนอันนั้นคือปาติโมกนะต้องเมื่อล่วงออกมาปับ๊บต้องไปแสดงอันนี้สําเร็จด้วยศรัทธาทําตามไปก่อนเสร็จแล้วเห็นอย่างไรจรึงจะรักษาสุขภาพจิตได้เนี่ยโดยที่ไม่ถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะ เห็นในสิ่งเดียวนั้นต้องปัจเจกเลยนะถ้าไม่ปัจเจกเราไปเกี่ยวข้องกับคนใดคนหนึ่งเราจะรู้ไหมว่าใครสตายะหรือไม่นะต้องพิจารณาบ่อยๆเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านี้เป็นอย่างไรนะเกี่ยวข้องเหล่านี้บุคคล น, นี้มีคุณสมบัตินะถ้าเป็นรูปารมณ์เป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยนะเขามีเป็นภ า, ล, นภา ล, ลักษณะในตัวเขามีไหมบัณฑิตลักษณะในตัวเขามีไหมเพราะคนพาลหรือบัณฑิตมีลักษณะเป็น เครื่องหมายมีลักษณะเป็นยี่ห้อนิมิตเครื่องหมายยี่ห้อพารลปาทานพารลนิมิตของของคนพานเป็นอย่างไรมีอะไรเป็นเครื่องบง่งบอกเออเขาเป็นไปกับกายธุจริตเป็นไปกับวจีทุจริตมีมโนทุจริตพวกที่มีลักษณะแบบนี้เรียกว่าคนพานอาเสวนาจะพาลานะนไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องอนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของอินทรีสังวรที่เริ่มฝึกฝนอบรมไปแล้ว เออคนนี้เป็นบัณฑิตควรเข้าไปเกี่ยวข้องวัตถุนี้ควรเคารพเทิดทูนบูชาเคารพเรียกว่าปูชาจะปูชนียานะั่งงนั้นหลักมงคลก็จะเข้ามาละในการเกี่ยวข้องกับแต่ละอารมณ์แต่ละอารมณ์ดังนั้นการปฏิบัติตามนั้นแหละเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อไม่พ่ายแพ้ปราชายัยเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบนั่นแหละแต่ว่าการศึกษาลักษณะนี้จะทําให้เห็นชาติอยู่อย่างหนึ่งว่า ปุตุชนผู้ได้ผู้ไม่ได้สดับอ่ะนะชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรกับอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วจะเป็นอย่างไรอั้นกัละยาณปุตุชนทั่วไปนั้นถ้าศึกษาปฏิบัติตามนั้นก็ศึกษาเพื่อความเป็นอริยสาวกอั้นถ้าหากว่าเราทั้งหลายไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาไม่ได้สงเคราะห์เอามาใช้เอามาปฏิบัติจริงๆเนี่ย น, นะเจริญกรุณาให้มากๆเถอะไม่ผิดหวังแน่นอนว่าชีวิตของคนที่เป็นไปกับบาปอากุศล ในชาดกในพระสูตรท่านกล่าวว่าคนที่พ่ายแพ้การพนันนะนะถ้าใครเคยเห็นนักเล่นการพนันเนี่ยสมัยเด็กๆก็มาชอบจริงๆเ ล, เล่นแพ้จนหมดตัวไม่รู้จะหมดยังไงมันหมดหม ด, หมดเกือบหมดอ่ยนะมันขายอะไรได้มันขายหมดอ่ะเล่นภาตาเด็กๆอ่ะโอมันเดินเนี่ยเบาวิวเลยอ่ะ <c oughs> ล้าเลยอ่ะเดินเนี่เหมือนกับคนแทบจะปลิวอะ <c oughs> ่ะเพราะมันนั่งมาโอ้โเป็นคืนๆนั่งกันนะเล่น แต่แล้วมันก็ไม่เหลืออะไรใช่ไหมแพ้หมดเกลี้ยงด้วยนาะเสียทั้งเวลาข้าวกะหิวเดินเนี่ยเบาวิวหมดอะแล้วเขาบอกว่าไอ้การสูญเสียแบบนั้นเนี่ยนะถ้าคนที่มีครอบครัวก็ทําให้เสียบุตรเสียภรรยาเสียทรัพย์สินเสียอะไรต่าง ๆ, ๆเหล่านี้ก็บอกไอ้การสูญเสียอย่างนั้นเนี่ยถือว่าสูญเสียเล็กน้อยอนะแต่ผู้ที่เป็นไปกับกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนั้นอะสูญเสียมากกว่า เพราะจะไม่เหลือแม้กระทั่งวิบากแหกกรรมเชื้อรคที่เป็นมนุษย์อันนี้นะวิบากกรรมชรอันนี้พร้อมที่จะเป็นนรกก็ได้เปรตอสุรกายและศักระชาตานั้นความคิดทุกๆความคิดเหล่านั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจที่สุดถ้าเราไม่ศึกษาให้รู้จักคุณโทษอุบายเครื่องสลัดออกของธรรมชาติเหล่านี้นะหรือภาษายตนาทั้ง6นะถ้าไม่ศึกษาคุณโทษอุบายเครื่องสลัดออกเหตุเกิดและ ความดับของภาษายตนาหกชีวิตของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะพ้นจากกองทุกได้เลยเจริญการุณาตัวเองมากๆเะว่าชีวิตของเราเนี่ยทุกแน่ไม่ต้องห่วงนะจะแต่จะสมควรแก่กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมผู้ใดสมาทานสะสมอะไรไว้มากเขาจะเป็นไปตามนั้นจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้สาบไม่ได้แช่งสักอย่างแต่พระองค์เนี่ยมองเห็นหมูสัตว์เนี่ยเป็นไปตามลักษณะนีะ้พระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าก็คือที่แรกเลยก็คือมนุษย์ธรรมดานั่นเองแต่เป็นมนุษย์ที่มีอภิยาศัยว่าเอ๊ะทำยังไงว่าเราพ้นจากกองทุกทั้งหมดเหล่านี้แล้วจะช่วยให้คนอื่นพ้นจากกองวิถีชีวิตที่เป็นทุกข์เหล่านี้ด้วยพระองค์ก็สั่งสมบารมีจนเป็นพระพุทธเจ้าพอเป็นพระองค์ก็ข้ามพ้นแล้วพระองค์ก็เลยแสดงคําสอนทั้งหมดเพื่อช่วยให้เราพ้นจากบาปอากุศลเหล่านี้ด้วยนะ นนันแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้รับคําแนะนําจากคําสอนของพระริยาเจ้าเหล่านั้นวิถีชีวิตนั้ น, น, นเนี่ยพวกสัตว์ในอบายเนี่ยเยอะงจริงเลยนั่นแหละแล้วต่อต่อไปนะโลกเนี่ยจะเป็นไปเพื่อเสื่อมถ้าผู้ที่อ่านจากักรวรตสูตรเนี่ยจะรู้เลยว่ายุคต่อๆไปนั้นพ่อเขาบอกว่าคําว่าพ่อคําว่าแม่เป็นต้นเนี่ยจะไม่รู้จักกัน น, น, นะเขาบอกว่าสัตว์ทั้งหลายจะมีชีวิตเหมือนกับแพะแกะไก่สมสู่กันมั่วไปหมดเลย ชีวิตที่มั่วที่สุดแล้วก็สีเนี่ยไม่มีก็บอกคําว่ากุศลเนี่ยคนไม่เคยได้ยินเลยมันเป็นยังไง้กุศลเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกล่าวถึงการเจริญกุศลการรักษากุศลแม้แต่วิถีชีวิตของมนุษย์ต่อไปยุคข้างหน้าชีวิตจะสั้นลงเพราะว่าอย่างอย่างสารพิษทุกวันเนี่ยที่เขาฉีดฉีดเนี่ยลงไปถึงเดนเนี่ยสาเมตรแล้วน้าปะปะน้ําบาดาลที่เจาะขึ้นมาใช้เนี่ยนะก็จะมีไอ้พวกยาฆ่าญยาเป็นต้นเราจะได้ใช้กันไปตลอด อันพวกสารพิษนี่มากมายมหาศาลถ้าอยู่ทางภาคกลางด้วยนี่อากาศนี่ไม่ต้องห่วงอันต่อไปคงจะซื้ออากาศหายใจกันแต่บางบางท่านก็เริ่มใช้ออกซิเจนแล้วถ้าไม่ใช้ออกซิเจนเนี่มันหายใจไม่เต็มแล้วก็สุขภาพจะไม่ดีอั้นอนาคตซื้อลมหายใจแน่นอนจะมีเป็นอย่างนั้นแหละอันชีวิตก็จะดําเนินไปสู่จุดต่ําจนถึงเขาเรียกว่า5้าปีมีครอบครัวคือ5ปีนี่สมสู่ได้บางงั้นเถ้ะเสร็จแล้วสิปีก็ตายงั้นชีวิตก็จะเป็นลักษณะนั้น จนถึงกับยุคมิขสันดีวะนะยุคที่คนเนี่ยใจคอเหมือนกับมิกขะคือมรึกใจเหมือนพวกเนื้อพวกเสือซึ่งเห็นกันแล้วไม่มีความปรานีเขาบอกว่าพวกนายพรานน่ะนะไปเห็นพวกนกเนื้อเนี่ยนะไม่มีใจกรุณาฉันใดคนในยุคต่อต่อไปเห็นกันแล้วอะ่ะคิดแต่จะเอาเจอหน้ากันจะเอาอะไรจากเขาได้บ้างแค่ยุคนี้ก็พอละเห็นหน้าจะล้วงกระเป๋าได้ยังไง จะเสนอสินค้าอะไรได้ทั้งอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเอาของของเข้ามานั้นใจก็จะเป็นลนนักษณะนี้ถ้ากิเลสมีกําลังมากๆ ก, ก็ล่วงทุจริตนะทั้งปานาติบาตอธินนาทานกาเมสุมิฉานมุสาวาทนะสุรานี่เป็นเรื่องปกติแล้วโฆษนาสุราเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วอันสุรานั้นใครที่กินสุราสังคมยอมรับไปแล้วอแล้วชวนะที่สะสมเหล่านั้นเนี่ยนะวิถีชีวิตก็น่าน่าเห็นใจแต่อย่าลืมว่าสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมของเขา เราก็เป็นไปตามกรรมของเราเราคิดอะไรนั่นแหละคือของเราแท้ๆเลยนะงนั้นความความรู้อันนี้ต้องมั่นคงกรรมสกตาศรัทธาเราก็ต้องให้ดีผู้ที่มีกรรมมศกตาศรัทธามากเท่าไหร่จะศรัทธาในพระตนตรัยมากเท่านั้นว่าพระตนตรายนั้นชี้ปัญหาบอกทางแก้ให้เราหมดเลยอะแก้ให้เราหมดแล้วบอกบอกด้วยว่าควรจะทําอย่างไรแต่ว่ากล่าวอย่างนี้ก็คือให้เราทั้งหลายไปศึกษาให้เข้าใจ เมื่อศึกษาเข้าใจแล้วการศึกษาของเรานั่นแหละจะช่วยเราทั้งหลายได้คําว่าศึกษาเป็นชื่อของสิกขาสามทำอย่างไรใจจะเป็นไปกับอธิศีลสิกขามากๆเป็นไปกับอธิจิตตสิขาเป็นไปกับอธิปัญญาสิกขาถ้าเราปล่อยชีวิตคนที่ปล่อยชีวิตพระองค์บอกว่าคือคนที่ที่ตายแล้วนะถ้าคนที่ปล่อยชีวิตจิตใจปราศจากสติก็คือคนที่ตายแล้วมันเราอย่าได้เป็น เป็นอย่างอื่นที่เดินได้นะถ้าไม่มีสติเป็นต้นเนี่ยก็เจริญการุณาไว้เถอะว่าเราทุกข์อีกแน่นอนไม่พ้นจากกองทุกไปได้เสุดายเวลาจะหมดอีกแล้วนะฟังเรื่องอินทรีสังวรสะจุใจเลยวันนี้เราเห็นวะ่าศาสนาพูดวนะ่าวิเศษแค่ไหนแค่สีเนะี่ยโอ้โหวิจัยสักแค่ไหนครับแค่ตาเนี่ยนะดูที่มีกี่รูปเนอะ้รูปมีสมูทฐานอีกเยอะแยะเลย อสีก็เหมือนกันก็ไม่น้อยอสีกับตามาเจอเขาเกิดเห็นขึ้นมาเห็นนี่ก็มหาสาลเลยที่วิเคราะห์วิจัยกันในเห็นเนี่ยมันมีอะไรประกอบอีกเยอะแยะแล้วก็จะทําให้เกิดชวนะต่อไปอีกยาวอย่างเงี้ยนะแค่นี้นะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาเอาแค่นี้ถ้าเข้าใจแค่นี้ผมเชื่อว่าเราเข้าใจาศาสนาพุทธได้เยอะแล้วคือตรงนี้เนี่ยจึงเป็นคําสอนที่ไม่เอียงไปใน อุเฉททิฏฐิคำสอนผู้ธศาสนาไม่ได้บอกว่าขาดศูนย์แต่ก็ไม่ได้บอกว่าเที่ยงแต่กล่าวว่าเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีความรู้ความเห็นอันนี้เป็นมัชชิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติสายกลางไม่ได้เอียงอย่างใดอย่างหนึ่งเลยนั่นแหละแต่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิอันนี้นะถ้าเจริญ พิสูจน์ในธรรมวินัยนี้เจริญธรรมวิจยะสามโพชฌงนะสัมมาทิฏฐิกับธรรมวิจยะสามโพชฌงอันเดียวกันเจริญธรรมวิจยะสามโพชฌงหรือเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกนะกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกนะอาศัยวิเวกอาศัยต่ทางเข้าวิเวกเป็นต้นอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละสละอะไรสละอุปาทานทั้ง4อย่าง ถ้าคนที่มีธรรมวิจัยมีสัมมาทิฐิดีแล้วสัมมาสังกัปปะก็เจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิรากอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละนะเจริญสัมมาวาจาเป็นต้นหรือว่าเจริญอา่าเรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงนะเพียนพยายามดงนั้นการเจริญกุศลเหล่านี้ต้องเพียนพยายามผู้ที่เพียนพยายามเหล่านี้เรียกว่ามีวิริยะสังวรนะ กันจะต้องเพียรพยายามและบากบันน่นเหมือนกันคำนวณเขาบอกว่ า, วาเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งก็ตามทีเถิดเท่ากันนะคานี้มีในพระไทย์วิโกหลายแห่งมากนะซึ่งเราจะต้องเพียรพยายามบากบั่นด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความพยายามของบุรุษเพื่อให้บรรลุ ถ, ถึงอิทธผลเหมือนนอิทธผลก็คือผลอะไรอรหัตผล <c oughs> เป็นผลที่น่าปรารถนาน่าพอใจที่สุดซึ่ง เรายังไม่ถึงก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ชัดแล้วใช่ไหมว่าเป้าหมายของเราคืออะไร เ, เราจะเห็นถ้าใช้คําว่าอารหัตตมักอรหัตผลเป็นต้นจะทําให้เห็นหนึ่งพรตนะตรายกอนะเห็นพระพุทธเจ้าผู้ที่เข้าถึงอรหัตผลเหล่านี้พระธรรมคําสอนคือเรื่องข้อปฏิบัติเหล่านี้จนถึงอรหัตผลพระสงฆ์มีภาษาบุตรเป็นต้นท่านดําเนินไปตามนั้นแล้ววิถีชีวิตของเราทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายเพื่ออรหัตตผลนะ เขบอกว่าศาส um นาของพระผู้มีพระภาคพนามว่าโคดมเรายังข้ามไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมพระผู้มีพระภาคพนามว่าสีอริยะเมตตายเป็นต้นนะจะมีข <s ummer> ้างหน้าแต่ทีนี้ว่าเสบียงทางอ่ะที่เราจะไปทานท่านเนี่ยมีไหมขนาดไหนแค่นั้นเลยเพื่อไปถึงท่านแล้วเนี่ยไม่ใช่ไปฟังอุ้ยนั่งหลับอย่างเดียวอีกแย่มันนั่นนะมันก็ต้องสะสมตั้งแต่นี้ให้ดีไปเจอท่านก็จะได้เบาขึ้นอีกนิดนึงนะถ้าหากว่าองค์หน้าไม่ได้ตรัสรู้นะ พระเจ้าปเสนที่โกศลเนี่ยข้างหน้าก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยนะพระเจ้าประเสนที่โกศลคือพระโพธิสัตว์ซึ่งจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อตไปอีกวันก็รอพระศาสนาของพระเจ้าปเสนที่โกศลพระเจ้าปเสนที่โกศลไม่ได้ก็รอองค์ใหม่ไปเรื่อยๆก็มีอีกหลายท่าแต่ถ้าท่านี้เรายังไม่ได้ท่านะเจริญการพุนาไม่เยอะๆเถอะว่าเราเราจะได้ทุกแน่นอนในเทนะคาถาเถรีคาถานะ บางคนนะเจอพระพุทธเจ้าตั้งหลายองค์นะกว่าจะสําเร็จนั่นไม่เป็นไรครับเราเจ อ, อีกได้หลายอีกหลายองค์หมดเวลาแล้วนะครับใครจะมีปัญหาเลยไหมครับไม่มีทําเคยนะครับอวันนี้ผมไปอ่านในเทวีคาถานะครับอ่านแล้วก็วันนี้อ่านไปเยิมกันนี่วันพระไม่ทําอะไรเลย ยิ่งอ่านก็อยากให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยอ่านอ่านบ้างเพราะว่าอ่านแล้วก็เห็นว่าเอะก็ไม่ได้ยากเกินไปนะแล้วก็มีเรื่องดีๆให้เราได้คล้ายๆเป็นเรื่องเป็นประวัติบุคคลเนี่ยนะฮะอ่านแล้วสนุกดีนะนอกจากสนุกแล้วก็ยังได้เข้าใจธรรมะอีกน ะ, ะ, ะที่อ่านวันนี้นะครับก็ เป็นพระเถรีองค์หนึ่งนะครับซึ่งพระเถรีองค์นี้เนี่ยนะครับชื่อสุ ก, กาสุ ก, กาเถรีเพราะอ่านแล้วนี่จะเห็นว่ากว่าจะบรรลุมรรคผลได้เนี่พระสุ ก, กาเถรีต้องผ่านพระผู้มีพระภาคองค์ต่างๆมาหลายองค์ตั้งตั้งหองค์ทั้งที่แต่ละองค์นั้นเนี่ยนะครับ พระสุคาเทรีเนี่ยก็มีศรัทธาแล้วก็มีปัญญาทรงพระไตรปิฎกว่างั้นเถอะนะแสดงธรรมมีศรัทธามีความรู้ทางธรร ม, มะมีปัญญามากทุกองค์เลยนะครับยังต้องรอถึงตั้งพระพรุทธเจ้าหกองค์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าบางองค์นั้นถอยหลังไป90สบกับเริ่มต้นนะ เริ่มต้นตั้งแต่บำเพ็ญบารมีนี่นะครับบางองค์ก็เริ่มต้นสี่สิบห้าสิบกับนะครับพระสุกาเทรีนี่นานโข อ, อยู่และแปลกที่ว่ า, าเป็นผู้ที่ทรงพระทัยพิดกและเมื่อบรรุมมรคนแล้วนี่เป็นธรรมกัทึกเลยนะครับ อันนีน้น่าสนใจมากแล้วไปอ่า น, นมีความไพเร้อมากเลยนะครับจำนวนที่เรามาเล่าเล่ า, ลาฟังเนี่ยสู้ในพตัตไตรปิดกไม่ได้แปลจริงๆนะผมขออ่านให้ฟังนิดหน่อยนะนิดเดียวเพราะว่าเรื่องนี้ยาวโข อ, อยูออ่ในกับที่เก้าสิบเอ็ดแต่พัทธรกับนี้ถอยหลังไปเก้าสิบเอ็ดกับเท่านั้น <c oughs> นะ พระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกพระนามว่าวิปัสสีนู่นน่ะครั้งนั้นข้าพเจ้าเกิดในตระกูลหนึ่งในนครพันธุมอดีได้ฟังธรรมะของพระมุนีและบวชเป็นภิกษุณีเป็นพระหูสูตรทรงธรรมมีปฏิพานกล่าวธรรมคถาไพเราะปฏิบัติตามพุทธศาสนาครั้งนั้นข้าพเจ้าแสดงธรรมะคถาเพื่อเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนทุกเมื่อนี่แสดงว่าทรงพระไตรปิฎกนี่ ข้าพเจ้าเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นเทพพิดานี่นี่หนึ่งองค์เท่านั้นนะต่อมาก็ได้พบพระผู้มีพระภาคองค์ต่อๆไปนี่อีกยาวทีเดียววันนี้ไม่ใช่เรื่องนี้ก็เลยขอส่งให้ท่านต่อไป